อาจารย์ครับการอภิศการครับผมเจรานพรคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านอาจารย์ครับวันนี้เราจัดรายการวิสัชนาธรรมครั้งที่หนึ่งร้อยเก้าสิบห้านะครับอาจารย์ครับหนึ 195, อ่อเก้าสิบห้าครับผมอาจารย์ก่อนเข้ารายการเช่นเคยครับผมขอโอกาสถามว่าอาจารย์มิทธบาดวันนี้คนไปใส่บาทรเยอะไหมครับผมวันนี้สี่ร้อยหนึ่งคนปกติครัปกติแต่วันราค น, นี้ เท่าไรพันกว่าแหละครับอาจารย์พันสองห้าสิบพันพันพันสองร้อยห้าสิบอ้สาธโอ้โหเป๊ะเลยเป๊เลยโอ้สาธุครับแล้วเป็นนิวไฮด้วยใช่ไหมครับอาจารย์ก็กลยเคียงว่าปีใหม่มันพันสามั้งไงเนี่ยโอ้พันสไม่ผิดเนี่ยครับผมกราบสาธุครับอาจารย์ตัวเลข ดีงามมากเลยครับตรง <ไฟ S 1> เป็ดไปวัตรจรครับผมก็เป็นหนึ่งข้ออาจารย์ น, นะครับพระอาจารย์นี่มียาโยมใส่บาตรหนึ่งพันสองร้อสิบคนนะโอ้โหครับผมพระอาจารย์ครับแล้วลวันนี้ก็เลยหลายคนพูดถามมาเรื่อยเลยนะครับพระอาจารย์เรื่องพระโสดาบันครับพระอาจารย์ก็เกี่ยวข้องกับสามโย ศ, ยศวันนี้ก็เลยกราบขอโอกาสพระอาจารย์แสดง ถึงวิธีการรักษาโยชน์และการเข้าสู่พระโสดาบันครับอาจารครับกับอความเมตตาครับผมคือพระระยะบุคคล น, นี้มีอยู่สี่ขั้นด้วยกันขั้นที่หนึ่งขั้นพระโสดาบันการจะเป็นพระโสดาบันได้ต้องรักษาโยชน์สามข้อคือสกายทิฏฐิสีปลปัตตาปรมะแล้วก็ความนังเนสงสัยวิชิกิจชาขั้นที่สองพระสกิตดาคามีนี้ ต้องทําให้สัมโยะอีกสองข้อเบาบางคือการมาราคากับปฏิคา้าการมาราคาก็คือความอยากเสพอยากอยากเสพเบทุนอยากนับนอนกับคนนั้นคนนี้ปฏิค้าก็คือความกดดันใจที่มาพร้อมๆกับความอยากนี่แล้วถ้าพระพระสกิณาคามินี้จะทําให้เบาบางลงแต่ยังไม่ได้กําจัดให้หมดสิ้นไป คืประมาณร้อยละห้าสิบเบาบางลงคืออยากบ้างเบื่อบ้างบางเวลาก็อยากบางเวลาถ้าเห็นนักสุมผัสก็ก็ไม่อยากแล้วขั้นที่สามก็จะละการมาราคากับปฏิฆาได้หมดร้อยเปอร์ซนก็เป็นขั้นที่สามคือขั้นพระอนาคามีอันนี้คือสังโยชน์ห้าข้อแรกเ ร, เรียกวสังโยชน์เบื้องต่ําสังโยชน์ที่ผูกไว้ให้ติดกับกาม ติดกับร่างกายต้องมีร่างกายต้องกลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อเสพกวามแต่พอละ5้าข้อนี้ได้แล้วเป็นบ้านนาคามีแล้วก็จะไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกไม่ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องมีร่างกายอีกต่อไปอี่ก็เหลื อ, อีก3ังโยชอีก5ข้อสังโยชน์ก็กสังโยชน์เบื้องบนสังโยชน์นี่เป็นสังโยชน์ที่ หกเจ็ให้ยัางติดอยู่กับรูปภพกับรูปภพคือภพของพรหมรูปภพกับรูปภพคือติดในรูปปัจฉันอางรูปปัจฉันแล้วก็ติดกับอัตตาตัวตนแล้วก็ยังชุกอยู่กับกับการ ก, การติดการติดสิ่งเหล่านี้อยู่เรียกว่า สังโยชน์เมื่อมนี้มีห้าข้อก็คือความยินดีในรูปประชานุความอยากอยากเสบ ร, ร, ร, รูปประชานุปราคาะอารูุ ป, ป ร, ราคาความอยากจะเสิร์ลูปประชานมานะคือยังมีการถือตัวอยู่ถือว่าตนเป็นคนที่สูงกว่าต่ากว่าหรือเท่ากับคนนั้นคนนี้ยังมีอัตตาตัวตน ยังไม่เข้าใจธรรมชาติของจิตที่แท้จริงว่าเป็นอย่างไรแล้ก็ยังมีวิจิกิจชาความฟุ้งอยู่และความฟุ้งนี้เป็นเกิดจากการที่ใช้ปัญญาวิเคราะห์เพื่อเพื่อละสังโยชน์ที่ยังข้างค้างอยู่นี้ให้หมดไปเวลาทําเลยเถิดไม่พักผอนก็เกิดความฟุ้งขึ้นมาได้แล้วก็วิชาความหลง ที่ยังไม่เข้าใจธรรมชาติของจิตว่าเป็นอย่างไรถ้าละสังโยชน์ห้าข้อนี้ได้ก็จะเป็นผ้าอรหันต์ละการ巴拉ฆะละรู巴拉ฆะละรู巴าฆะาละวิจิกิจชาละมานะละกัละอวิชชาอันนี้คือ สังโยชน์ที่จองลนะด้วยปัญญาน่าต้องมีสมาธิเป็นผู้สนับสนุนคือปัญญาต้องเป็นภาวนามายปัญญาปัญญาที่พวกเราได้ยินได้ฟังนี้เรียกว่าสุดตรเมยภปัญญาฟังไปจนมันตายก็ไม่สามารถรับสังโยชน์ได้เพราะจิตไม่มีกำลังรู้ว่าร่างกายนี้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่เราหยุดความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ได้ แต่ถ้าเรามีกําลังของสมาธิมีอุเบคาที่เกิดจากสมาธิทําใจให้วางเฉยได้เวลาพบออกับความแก่พบออกับความเจ็บพบออกับความตายเราก็สามารถหยุดความอยากไม่แก่หยุดความอยากไม่เจ็บหยุดความอยากไม่ตายได้พอเราหยุดความอยากเหล่าได้ทกุก็จะหายไป ทุกหายไปเราก็จะเห็นว่าทุกทุกที่หายไปก็เกิดจากมิการมีมากคือปัญญาพิจารณาเห็นว่าร่างกายเป็นตายร่างหน้าสักกายยัิถิที่ไปเห็นร่างกายว่าเป็นอัตตาตัวตนนะความจริงร่างกายเป็นร่างกายเวทนานี้เป็นเป็นไม่มีตัวตนเป็นอนัตตาควบคุมบังคับเขาไม่ได้สั่งให้เขาไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ได้ ก็ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องหยุดความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายยอมรับความแก่ความเจ็บความตายเช่นเวลาไปเจอความทุกข์ที่เกิดจากโรคมะเร็งแล้วหมอบอกว่ารักษาไม่ได้แล้วเนี่ยพตอะ น, นั้นจะเจอความทุกข์ที่เกิดเกิดจากความอยากไม่ไม่ไม่ตายไม่เจ็บเพราะรู้ว่าเป็นโรคมะเร็งมันต้องเจ็บแล้วก็จะต้องตายก็เลยเกิดความทุกข์ขึ้นมา แต่ถ้าตอนนั้นมีปัญญาพิจารณาเห็นว่าห้ามไม่ได้ความแก่ความเจ็บความตายใช้ยอยเบรคคาที่มีจากสมาธิมาหยุดความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้ความทุกข์ในใจก็หายไปความทุกข์ในร่างกายก็ยังมีอยู่ทุกขเวทนาในร่างกายมีอยู่ที่เกิดจากการเจ็บไข้ได้ป่วยแต่ใจไม่ทุกข์กับความความเจ็บไข้ได้ป่วยกับความตายเห็นอนิยสัตสี เห็นว่าความทุกข์ของใจเกิดจากความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเห็นเห็นเห็นเห็นตัวทุกขดับไปเพราะละความอยากได้ด้วยด้วยปัญญาที่เห็นว่าร่างกายนี้เป็นของไม่เที่ยงไม่มีตัวตนจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปตามตามเรื่องของเขาอันนี้ก็จะเห็นะระยะสั้นสี่น่าสังโยน อ้างยศข้อศักกายทิฐิได้แล้วก็เห็นเห็นเห็นอริยสัจ ส, สี่ก็เห็นธรรมไม่โดนตาเห็นธรรมแล้วก็เห็นเมื่อเห็นธรรมก็จะรู้ว่าธรรมนี้มาจากพระพุทธเจ้าเว่าเราได้ศึกษามาก่อนที่จะปฏิบัติว่าพระเจ้าทรงสอนเรื่องอริยสัจ ส, สี่ทรงตรัสรู้จากเรื่องอริยสัจ ส, สี่ด <c oughs> ังนั้นเราก็จะไม่สงสัยในพระพุทธเจ้าในพระธรรมคำสอน นไม่สงสัยในพระเรียบุคคลพระโสดาบันเพราะผู้ปฏิบัติผู้ที่เห็นมีดวงตาเห็นธรรมนี้ก็เป็นพระโสดาบันนี่ก็เลยไม่สงสัยละวิชนะิกิจฉาในพระพุพะทธธรรมพระสงฆ์ได้แล้วก็เห็นอริสัต์สีนี้ในเรสัตว์สีก็เห็นด้วยว่าความทุกข์อีกอย่างนี้ก็เกิดจากการกระทำบาปเวลาทาบาปนะใจจะเกิดความทุกข์ขึ้นมาก็จะไม่ ไม่ทำบาปอีกต่อไปจะไม่ลูกคำในศีลว่าควรจะรักษาแล้วไม่รักษารักษาไปทําไมอันนี้จะไม่สงสัยยจะไม่ลูกคำในศีลศีลธรรตปลาร้ามีความมั่นใจว่าศีล น, นี้เป็นสิน่งที่จําเป็นที่เรารักษาไว้ถ้าไม่ต้องการให้ใจทุกข์ไม่ต้องการให้ใจไปเกิดได้บาปต่อไปอันนี้คือตัวอย่างของการรับสัโยศสามข้อแรก อีกสองข้อก็ต้องพิจารณาสุภาษะเพื่อลัการมาลาคะกับปฏิฆะเวลาเกิดการมาลาค้านี้เราก็จะเกิดอารมณ์มุหดิดขึ้นมาอยู่ไม่เป็นสุขต้องบรรบายอารมณ์นี้ด้วยการไปเสพไปร่วมเพศกันพอได้ร่วมเพศมันก็ระบายไปความมุจดิตก็หายไปชั่วคราวแต่ไม่หายไปตลอดเดี๋ยวอีกสักระยะห น, นึ่งมันก็ผลกลับมาใหม่วิธีไปรระบาย การมาราคะด้วยการไปร่วมเพศนี่มันไม่มีวันที่จะหมดมันจะกลับมามีอยู่เรื่อยๆวิธีที่จะให้มันการมาราคะหายไปปฏิกะหายไปต้องใช้อสุภะต้องนึกถึงภาพไม่สวยงามของร่างกายใช่ไหมละ่ะมีความการมาลมง่ยนึกถึงซากศพนี้อย่าไปนึกถึงนางงามหรืนายแบบนางแบบ นึกถึงซากศพนีได้นึกถึงซากศพได้นึกนึกถึงอาการสามีสองได้การมารมม์มันก็จะละงลับไปถ้าสามารถระลึกได้ทุกครั้งที่เกิดการมารมม์ขึ้นมาต่อไปการมารมม์ก็หายไปเกิดขึ้นมาไม่ได้ก็จะละสัมีโยนการมาละคากับปฏิฆาได้เพราะเมื่อระลึกการมารมม์ได้ปฏิฆาที่เกิดจากการมารมม์ก็ตามหายตามไปด้วยความมุนเินใจก็หายไปด้วย ใจก็กลับมาอยู่เป็นปกติสุดไม่ต้องไปหาแฟนไม่ต้องมีคอบไม่ต้องมีครอบครัวไม่ต้องมีแฟนไม่ต้องมีภรรยาไม่ต้องมีสามีอยู่เป็นโสดได้มีการสโยชน์ห้าข้อแรกที่มันเกี่ยวกับร่างกายเกี่ยวกับเวทนาเวทนากองร่างกายก็คือขันธ์ห้าส่วนส่วนที่เหลืออีกห้าข้อเกี่ยวกับจิต จิตถึงแม้ ว, ว่าจ ะ, ะไม่ทุกข์กับร่างกายแล้วก็ยังมาทุกข์กับตัวจิตเองเพราะอยากจะให้จิตนี้สงบตลอดเวลาแต่มันก็เป็นไปไม่ได้ถ้าที่พิจารณาดูก็เห็นว่ามันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอารมณ์ของจิตมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบางวันก็อารมณ์ด้บางวันก็อารมณ์เสียสาเหตุก็มาจากการที่มันยังไปสัมผั์รับรู้กับรูปเสียงจิตลดผลสภานะ สัญญาอารมณ์ต่างๆที่มีในใจเวลาสัมผัสกับรูปเสียงกินรสที่เป็นสุขก็ทําให้เกิดอารมณ์ดีขึ้นมาสัมผัสกับรูปเสียงกิ่นรสที่เป็นทุกข์ก็จะทําให้อารมณ์เสียขึ้นมาไ ม, ไม่สามารถทําใช้ไม่สามารถใช้รู ป, ปราคะไม่สามารถใช้รูปฌานหรือรูปฌานดับมันได้อย่างถาวรดับได้ชั่วคราวเวลาเกิดอารมณ์เสียก็เข้าไปในฌานเสียอารมณ์ก็หายไป ในมาของเรดี๋ยวไปสัมผัส น, นับรู้อีกก็เกิดอารมณ์ขึ้นมาอีกอันี้การใช้รูปปัจจัยการรูปปัจจัยก็ไม่ใช่เป็นวิธีกําจัดความทุกข์อันที่กำจัดเวาทุกข์ต้องใช้หลักตายักก็ต้องเห็นว่าอารมณ์ที่มีอยู่ในจิตนี้มันก็ไม่เที่ยงเป็นอนิจจังทุกขังหน้าตาเหมือนกับร่างกายเหมือนกับเวทนาถ้าไปอยากให้มันเที่ยงอยากจะให้มันชให้มันสมบมีแต่อารมณ์ดีตลอดเวลา มันก็จะทําให้เกิดความผิดหวังขึ้นมาเพราะมันเป็นไปไม่ได้ถ้าไปอยากแล้วมันไม่ได้ก็จะก่อความทุกข์ใจไม่สบายใจขึ้นมาอย่าเราใช้ใจรับพิจารณานี่คือละอวิชาที่ไม่เข้าใจธรรมชาติของจิตที่ยังมีการผันผวนในการเปลี่ยนแปลงอารมณ์ต่างๆของจิตมันยังเปลี่ยนแปลงอยู่เพราะมันยังเกี่ยวข้องกับรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภาณสัญญา อารมณ์ความจำต่างๆในอดีตมันก็ผล่ขึ้มนมะาทำให้เกิดอารมณ์เสียอารมณ์ดีได้นั้นอย่าไปบังคับมันปล่อยมันไปปล่อยมันมันเป็นตายรักมันเป็นอนัตตาเราไปควบคุมบังคับมันไม่ได้ให้รู้ทันมันแนละ้ววางเฉย อ, อย่างประยัดเราก็จะดับความทุกข์ใจนะแต่ระดับอารมณ์ไม่ได้เปลี่ยนอารมณ์สั่งห้ามอารมณ์ไม่ได้มันก็ระห้ามร่างกายไม่ได้ห้ามวิทยาไม่ได้ อารมณ์ฉงจิตล้วก็ห้ามมนะันไม่ไมันก็เป็นตายรับมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนม ข, นขึ้นลงเหมือนกันพอเข้าใจหลังนี้ก็จะละอวิชชานะอาวิชชาคือความไม่รู้สภาพที่แท้จริงของจิตมันเป็นอย่างไรพอละได้ก็อย่าไปยุ่งอย่าไปควบคุมมันครับอย่าไปอยากให้จิตสงบให้จิตมีความ มีความสุขตลอดเลลวลามันก็เปลี่ยนไปตามตามเหตุการณ์ที่มาเกี่ยวข้องด้วยแต่ใจมันไม่ทุกข์กับมันใจอันนี้จะลดความทุกข์ที่เกี่ยวกับร่างกายก็หมดไปความทุกข์ที่เกี่ยวกับเวทนาก็หมดไปความทุกข์ที่เกี่ยวกับจิตก็จะหมดไปใจก็ยังไม่มีความทุกข์แต่ก็ยังต้องอยู่กับสิ่งเหล่านี้อยู่จนกว่าจะอละ เข้าสู่บริณีพานเข้าสู่น er, ิพพานแบบที่ไม่มีร่างกายไม่มีการรับรู้สิ่งไรต่างๆจิตก็จะสงบไปตลอดเวลาต่อไปแล้วก็จะไม่มีไม่มีตัญหาความอยากที่จะมาดึงให้จิตกลับมาเกิดในภายเค้าไปต่อไปความอยากในการเสกการมก็ตัดไปความอยากจะเสกรูกประชานก็ตัดไปความอยากจะเสกเมรูประชานก็ตัดไป เมื่อไม่มีความอยากทั้งสามนี้แล้วก็ไม่มีการกลับมาเกิดในใายพ่อไปต่อไปจิตก็เป็นจิตบริสุทธิ์เป็นจิตที่นิพพานจิตที่ไม่มีความทุกข์ลงเนื้ออยู่ในจิตมีนิพพานมีสองแบบนิพพานในขณะที่มีมีร่างกายกับนิพพานที่ไม่มีร่างกายสารุปานิเสสานิพพานกับอนุปานิเสสนิพพาน ยังมีร่างกายอยู่ก็ยังต้องสัมผัสกับการแปรปรวนของร่างกายของเวทนาของจิตอยู่ แ, แต่พอไม่มีร่างกายพอราะสังขารไม่ได้แล้วก็ไม่มีการแปรปรวนแล้ไม่มีร่างกายมาเกี่ยวข้องไม่มีเวทนามาเกี่ยวข้องไม่มีอารมณ์มาเกี่ยวข้องจิตก็จะเป็นจิตที่ว่างเรียนสงบไปตลอดแต่ทั้งสองอย่างก็ก็คือจิต รู้ทันขณะที่มีร่างกายมีเวทนามีจิตมีอารมณ์ก็รู้ทันสิ่งเหล่านี้แล้วไม่ไปยึดไปติดว่าว่างไม่ทุกข์กว่ามันพอจะเข้าใจหมที่มีขึ้นที่มีการก่าวอนุภานิพานมีสองแบบอนุปาดิเศษะกษะสาอุปาดิเศสะนิพานก็นิพานในขณะที่ยังมีขันอยู่กับนิพานในขณะที่ไม่มีขันแล้ว แต่จิตก็ไม่ทุกข์ทั้งในสองรูปแบบถึงแม้จะมีขันธ์ก็ไม่ถึงแม้จะมีขันธ์ก็ไม่ทุกข์กับขันธ์ไม่ทุกข์กับอารมณ์ต่างๆเพราะรู้ทันว่ามันเป็นไตรลักษณ์ฟังแล้วเป็นวิทยาศาสตร์มากเลยนะครับอาจารย์เป็นเป็นผล่เป็นเหตุเป็นผลเป็นวิทยาศาสตร์ร้อยเปอร์เซ็นเลยไม่ใช่เป็นเรื่องของความเชื่อครับไม่สามารถที่จะขออธิษฐานขอให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้ เป็นเรื่องของจิตศาสตร์วิทยาศาสตร์นี่มันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของธาตุดินน้ำลมไฟแต่ธาตุรู้คือจิตนี่มันไม่มันไม่มีใครรู้ได้นอกจากพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองไอไน์สไตน์ถึงยกย่องพระพุทธเจ้าว่าเหนือกว่ไอไน์ไอสไตน์ไอน์สไตน์บอกพระเจ้าเก่งกว่าเขาพะเจ้ารูส้สิ่งที่เขาไม่สามารถที่จะรู้ได้ เพาะการจะเข้าถึงจิตได้นั่อเกิดจากการภาวนาเานะั้นเกิดจากการเจริญสตินังสมาธิเข้าใยให้ได้แล้วก็จะเข้าไปเจอกกับตัวจิตเจอกับตัวรู้แล้วก็เจอคิวต่างๆที่มีตัวจิตเจออนิยน ส, สสัตสีอาจารย์ครับจิตของจิตที่นิพพานแล้วของพระอรหันต ที่ไม่มีร่างกายแล้วก็ยังรู้อยู่ใช่ไหมครับก็เป็นจิตเหมือนเดิมเพียงแต่ไม่มีขันมาเกี่ยวข้องไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสที่จะมาอสร้างความแ ป, ปรปรวนต่างๆในในในจิตจิตเพียงแต่รับมันว่างเหมือนกับว่าเราปิดจอทีวีอย่างเงี้ยครับตอนที่มีฐานก็เหมือนเปิดจอทีวีอยู่เนี่ยเราก็มีรูปมีภาพให้เราเห็นได้ยินมีเสียงอะไรต่างๆแต่เราเป็นคนดูเรารู้ทันมันเราไม่ไมีอารมณ์กับมัน ก็รู้รู้รู้เฉยเฉยไม่หลงไม่ไปดีใจเสียใจไม่เช่าไม่เหมือนคนที่ดูฟุตบอลในเวลาทีมตัวเองชนะ เ, เขาโดดต้ดดเนเวลาทีมตัวเองแพ้ก็ร้องห่มร้องไห้อดห่กันแสดงไม่มีปัญญาไม่ได้เห็นว่ามันเป็นแค่เป็นภาพมันเป็ น, เ ป, นเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดระดับที่เราไม่ควบคุมมังคับแบบไม่ได้ครู้ทันเ <ขอ S 1> พราะ ถ้าเราปิดจอทีวีถ้าปิดเครื่องปั๊บเป็นไงก็เหลือแต่จอว่างๆจอก็ยังอยู่เหมือนเดิมพแต่ไม่มีภาพไม่มีเสียงให้มาเราให้เราได้รับรู้อันนี้พานแบบที่ไม่มีขันนีก็เป็นนะเหมือนกับจอที่ไม่มีรูปเสียงกลิ่นรดไม่มีปรากฏขึ้นบนจออี้ต่อไปถ้าไม่มีอะไรปรากฏขึ้นใจก็ไม่ต้องทําอะไรใจก็เฉยสบายแต่ถ้ามีใจก็ทะารู้ทันไม่ไปยึดไปติดไม่ไปอยากให้มันเป็นอย่างนั้นไปเนี่ย ดูดูดูภาพยนตร์แล้วดูกีฬาก็ไม่ได้ไปเชียร์ว่าต้องทีมเราต้องชนะนะอะไรอย่างนี้เพราะรู้ว่าไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นมาใช่ไหมเราไปบังคับมันได้ที่ไหมันจะแพ้หรือมันจะชนะมันใครรู้บ้างถ้ารู้เตือนก่อนก็ไม่ต้องไปไเสียเวลาครับอาจารย์ครับอย่างนี้ที่คนทั่วไปตั้งหลักไปที่พระโสดาบันก่อนก็เป็นถูกต้องไหมครับอาจารย์ครับ ก็มันต้องผ่านโสดาบันก่อนแต่คนยังไม่ตั้งหลักที่ทานศีลภาวนานด้วยกอันนั้นเป็นเหตุที่จะพาให้ไปสู่การเป็นสดาบันเบื้องต้นเอาเอาเงินเอาทองไปทําบุญด้กันอยางนั้นเอาทองไปเสพกามเนี่ยรรเพราะมันเป็นการสะสมความทุกข์สะสมกิเลสให้เพิ่มมากขึ้นไม่ได้ลดน้อยลงเอาเงินไปทําบุญทําทานก็จะทําให้กิเลสการกามาตัญหาเบาบางลงแล้วเราก็จะได้มีมีกําลังที่จะรักษาศีล ศีลห้าศีลแปดได้ถ้ารักษาศีลแปดได้เราก็ไปเปรียบวิเวงอยู่บนเขาไปปฏิบัติธรรมในป่าได้จะลองสตินั่งสมาธิให้ได้ฌานก่อนให้ได้อุเบกขาก่อนหลังจากนั้นก็เอาธรรมะที่เราได้ยินเนี่ครับมาพิจารณาให้พิจารณาหน้กายว่าไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นของไม่เที่ยงเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราสอนใจให้ยอมรับให้ได้แล้วก็ไปพิสูจน์ดูเช่นปะ แต่เป็นโครคภัยแค่เจ็บหมอหบอกรักษาไม่ได้จะต้องตายดูซิว่าทําใจได้หรือไม่ทําใจได้ก็เมันรู้เป็นทอดโสดมันแต่ถ้าจะมาให้เจ็บไข้ได้ป่วยใกล้กาตายก่อนมันอาจจะได้พระท่านก็เลยเลือกไปอยู่ตามป่าตามเขาที่มันน่ากลัวมี ส, สิงสาราศเวลาเกิดความกลัวตายขึ้นมากลัวเจ็บขึ้นมาก็จะได้พิสูจน์ดู ว, ว่าจะละความอยากได้หรือไม่ละความอยาก ไ, ไม่เจ็บไม่ตายได้หรือไม่ ทลาล่ได้ใจก็จะเฉยยอมตายตามเจ็บอืันนี้ต้องปฏิบัติอย่างนี้มันถึงจะไปนะไม่ใช่อยู่นิดีๆตั้งเป้าจะไปเป็นโสดามันโดยไม่รู้ว่าแล้วเหตุที่จะพาให้ไปถึงจุดนั้นไปยังไงเหมือนจะไปเชียงใหม่เนี้ยแต่ไม่รู้ว่าจะไปยังไงจะขึ้นเครื่องหรือจะขึ้นรถบัสหรือจะเดินไปหรือขี่รถไปมันก็ต้องมีพานะพาไปใช่ไหม เราศึกษาเราจะไปทางไหนไปทาอากาศแล้วก็เราไปตีตั๋วจองเครื่องจองที่นั่งอะไรไม่ใช่อยู่ดีๆบอกว่าพออยากจะไปไปเชียงใหม่แล้วมันจะพาเราไปทันทีครับอาจารย์ครับแล้วทีนี้เห็นคนนู้นคนนี้ก็อ้างตัวเป็นพระโสดาบันนี้เราจะเราจะก็เป็นเรื่องของเขาเป็นเรื่องของเขาเป็นสิทธิ์ของเขาหน้าที่ของเราไม่ใช่มามารับรองหรือมาปฏิเสธเขา น้าถิ่นมามารับรองและปฏิเสธตัวเราคนเดียวก็พอครับผมเอาใจนะเข้าใจครับเพรนั้นใครจะเป็นอะไรก็เรื่องของเขาก็ เ, าเป็นก็ เ, เป็นจริงก็มันก็มันก็เป็นความจริงของเขาเขาไม่เป็นจริงก็มันก็เป็นความเท็จของเขาหลอใครหลอกได้แต่หลอกตัวเองหลอกไม่ได้ครับนอกจากทุกเกตทุ ก, กิเลตหลอกก็ จ, จะได้อย่างพวกที่เรียกว่าเป็นวิปัสสนาเนี่ยทุ ก, กิเลตหลอ ตัวเองไม่ไม่รู้ว่าตัวเองไม่เป็นแต่กิเลสหลอกว่าเป็นอย่างนี้ไม่มีเจตนาจะมาหลอกใครแต่ไปถูกกิเลสหลอกแล้วก็เชื่อกิเลสว่าเป็นจริงตามที่กิเลสบอกว่าเป็นแล้วเพราะฉะนันไม่ไดไปสนใจไม่ได้ยินให้ฟังใครเขาพูดก็พระพุทธเจ้าบอกให้ใช้การอะมาสูตเวลาใครเขาพูดอะไรก็ฟังหูไว้หูอย่าไปเชื่ออย่าไปปฏิเสธ เอาไปพิสูจน์ก่อนว่าพิสูจน์ว่าเขาเป็นอย่างที่เขาพูดได้จริงหรือไม่ถ้าพิสูจน์ไม่ได้ก็ต้องแขวนไว้ก่อนกลับขอบพระคุณพระอาจารย์ได้ให้ปัญญานะครับผมขอโอกาสถามคำถามจากเพื่อนๆบ้างนะครับจากคุณอัญชลีครับข้อที่หนึ่งพระสุบุรีได้ไหมครับมันไม่มีข้อห้ามเลยพเพราะวินัยมาครูบุรีนี่สามารถ อ่าสูงได้ฉันได้เพราะว่ามันไม่ได้ไปทําให้ขาดสติไม่เหมือนสุรายาเมาสุราหรือยาเสพติดที่ทําให้ไม่สามารถควบคุมกายวาจาใจาได้ในห้ามถึงแม้จะไม่มีในภาวนายก็ห้ามทำไมนี้มียาเสพติดชนิดต่างๆ ท, ที่คนกินเข้าไปแล้วบ้าคลั่งเนี่ยสิ่งเหล่านี้ต้องห้ามเพราะมันไม่สามารถควบคุมสติควบคุมใจ ไม่ให้ไปคิดไปพูดไปทําอะไรที่เสียหายต่อผู้อื่นได้ก็ต้องห้ามแต่บุหรีนี่สุบไปจนวันตายก็ไม่มีวันเมายังมีสติอยู่ครบบริบูรณ์เคี้ยวหมากไปทั้งวันก็ไม่มีวันเมายั้นทําได้เพียงแต่ว่าต้อรู้จักประมาณสูบบุรีมากก็จะเป็นโทษกับร่างกายเท่นั้นนะเคี่ยวหมาก้ากก็อาจจะมีโทษอันนี้ไม่ทราบมีวิจัยหรือ่าเรื่องการเคี่ยวหมาก เดี๋ยวขอพระอาจารย์นะครับเพื่อนๆทางทิกตอกคําถามตอนต้นๆหายไปนะครับส่งเข้ามาใหม่ได้นะครับข้อที่สองครับการด่า น, นักการเมืองถือว่าผิดศีลไหมครับพยายามรักษาศีลให้บริสุทธิ์แต่พอฟังหรืออ่านข่าวการเมืองทีายศีลแต่ทุกทีครับการด่าใครก็ไม่ดีทั้งนั้นมันไม่เป็นวาจาที่ไม่ควรที่จะพูดวาจาคำหยาดวยบางครั้งพูดพูดคําหยาพูดเพ้อเจอพูดไม่มีเหตุมีผลจะพูดอะไรก็พูดให้มันเป็นประโยชน์ดีกว่า ถ้าพูดไปแล้วไม่เกิดประโยชน์ทําให้เกิดการแตกแยกสามัคคีกันก็อย่าพูดแล้วพูดส่อเสียดครับไม่ได้ตักบาตรแต่ว่าสวดมนต์ทุกวันผลบุญจะต่างกันไหมครับตางกันเพราบุญที่เกิดจากทําทานใส่บาตรนี้มันเป็นการเสียสละแบ่งปันเงินทองเอาของที่เราไม่อยู่มันไม่เหมือนกับบุญที่เกิดจากการสวดมนต์ มันกัจจักขันต์สวดมนต์ก็ทําจิตให้สงบจะถือว่าการสวดมนต์นี่เป็นบุญที่ได้ได้บุญมากกว่าการทําบุญทําทานก็ได้แต่ก็จะจะได้อานิสง์ไม่เหมือนกันคนทําบุญทําทานถ้ยังกลับมาเกิดอยู่ในภพหน้าชาติน่าก็จะมีเงินมีทองรอรออยู่คนที่ไม่ทมําบุญทําทานเอาแต่สวดมนต์กลับมาก็มาเป็นมาบวชเป็นพระเท่านั้นเพราะไม่มีเงินไม่มีทอง ก็ต้องไปสวดบนตต่อเหมืนคูเหมือนคู่พระอาจาราย์หลายหลองค์เลยนะครับหลายองค์ท่านก็ท่านก็สวดมนต์พบก่อนชาติก่อนเพราะท่านมนเกิดในชาติที่ท่านก็ไปบวชไปสวดบุญต่อท่านก็ไม่ต้องมาท่านก็ไม่มาเกิดบุินกองเงินกองทองมีทรัพย์สมบัติให้ติดให้หลงอยู่ก็ดีอ่ะถ้าสวดมนต์ได้ก็ดีกว่าการทําบุญทําทานใส่บาตรแต่ถ้าไม่ใสายบาตรเลยถ้าทั้คนไม่ใสายบาตรเลยก็จะไม่มีพระ มาเทมมาสอนเพราะพานก็จะอยู่ไม่ได้พระอยู่ได้เพราะมีคนทําบุญใส่บาตรใก็ต้องคิดหลายด้านด้วยกันคุณพลอยครับตอนนี้บอกว่าควบคุมน้ําหนักเวลาหิวข้าวหรือขนมท่องพุทโธตามที่พระอาจารย์สอนได้ผลมากครับหยุดหิวไปเลยครับใช่มันทําให้ใจอิ่มไพอใจสงบใจก็อิ่มขึ้นมาความหิวทางร่างกายก็เลยไม่ไม่มาสร้างความ ทรมาให้กับใจตัวที่ทําให้ใจทรมานคือความเห็นทําใจคือความอยากคุณนิจารีบอกว่ามีคนขโมยของมาขายเป็นของกินแล้วให้เราซื้อจําเป็นจะต้องซื้ออย่างนี้เราบาปไปด้วยกับเขาไหมครับไม่บาปหรอของที่เขาขโมยมาเป็นบาปของเขาเขาที่เขาคนซื้อของของเขานี่ไม่บาปเองเลย หรือว่าเขาเอามาถวายพระก็ไม่พระก็ไม่บาปมันจะไม่รู้เหลือคนบางคนไปขโมยเงินมาแล้วก็อยากจะทําบุญก็ไปซื้ออาหารมาใส่บาปอย่างนี้ถ้าก็รับได้นี่มันเป็นคนละคนละขั้นตอนนะขั้นตอนบาปนี้อยู่ที่ตัวเขาอยู่ที่การกระทําของเขาแต่ในขณะเดียวกันถ้าเขาเอาของที่เขาขโมยมาเนี่ยมาทําบุญเขาก็ได้บุญด้วยได้บุญจากการเอาของที่ขโมยมาได้ทั้งบุญได้ทั้งบาป คุณสุกัญญาบอกว่าเห็นข่าวพระถูกรางวัลที่หนึ่งอยากทราบว่าการซื้อลอตเตอรี่อย่างนี้ผิดศีลไหมครับมันไม่ผิดศีลหนึมันมันผิดเป้าหมายของการมาบวชเป็นพระไม่ใช่ไหมการบวชมาเป็นพระเพื่อที่จะตัดราภยศสนรเสริญเพราะเห็นด้วยปัญญาว่ามันเป็นทุกข์มันเป็นอนิจจทุกขังอนัตตาแต่นี่ยังมาวิ่งหาราบยดสนรเสริญอยู่ก็แสดงว่าหลงทางแต่นี่จะไป ไปนับผลนิพพานก็ยังกลับไปเวียนว่ายตายเกิดในในยพอกอยู่ต่อไปเปิดบทสดมนฟังขณะทำงานอย่างนี้เป็นบุญหรือเป็นหรือเปล่าครับมันมันไม่ควรเพราะว่าเวลาทำงานมันก็จะไม่ทำงานอย่างเต็มร้อยเพราะใจเราจะแบ่งไป50เป็นไปกับการฟังแบ่งมา50บกับการทำงาน การทำนันการทำงานก็อาจจะการการผิดพลาดได้การส่วนบนก็จะทําให้เราไม่ได้ผลจากการส่วนบนรอยเปอร์เซ็นก็จะได้ห้าสิบห้าสิบถ้าอยากจะส่วนบนก็อย่าไปทําอะไรให้นั่งเฉยๆนั่งส่วนบนไปอย่าไปทําอะไรที่ต้องใช้ความคิดให้อยู่กับบทส่วนบนไปแล้วใจก็จะได้สงบระงับจากความคิดต่ตางๆได้ดังั้นการส่วนบนนี้ ควรจะทําในขณะที่เราไม่ต้องมีภารกิจอย่างอื่นพ่าเป็นการฝึกภาวนาเป็นการจงรอนสติเป็นการฝึกสมาธิคุณกัณฐิกาบอกว่าได้ปฏิบัติทํามสวดมนต์นั่งสมาธิทั้งตอนเช้าและเย็นเป็นเวลาสามปีกว่าแล้วตั้งแต่หลานเสียแต่ดูเหมือนไม่ได้ผลในการปฏิบัติเลยครับเพราะไม่มีสติพ อ, อนั่นเอง นั่งแล้วจังใจลอยอยู่ใจยังคิดเรื่องนรื่องนี้เข้ามาแทรกอยู่เรื่อยๆหรือว่านั่งแล้วไม่ไม่ดูลมไม่มีกรรมฐานคอ ย, คอยกากับใจต้องมีกรรมฐานนี้มีอารมณ์ที่ผูกใจไว้ไม่ให้ลอยไปลอยมาเช่นมีพุทธานสติก็ต้องมีพุโทโธพุโทโธไปถ้ามีอนาปนาสติก็มีลมหายใจก็ดูลมหายใจไปไม่ใช่นั่งเฉยๆแล้วก็ปล่อยให้ใจคิดเบื่เปื่อ อาจารย์ครับมีคอมเมนต์หลายคอมเมนต์บอกว่าเมื่อวันมาคะได้ไปใส่บาทได้ไปฟังธรรมพระอาจารย์นะครับแล้วก็มีคอมเมนต์นึงบอกว่ามีเก้าขวบเด็กเก้าขวบไปใส่บาทพระอาจารย์แล้วทําเป็นเด็กวัดด้วยบอกว่าปลื้มมากครับทําบุญวันพระกับทําบุญวันธรรมดาได้บุญเท่ากันไหมครับมันมันไม่ได้อยู่ที่วันเนอะบุญมากน้อยมุญน้อยอยู่ที่ทำมากทําน้อยนั่น ทำอะไรก็ได้เท่ากันนั่นหมายการทําบุญเท่ากันคุณชุติมาภาครับทําไมถึงฝันเห็นแต่คนที่ตายไปแล้วทั้งๆที่เขาเหล่านั้นไม่ใช่เป็นญาติของเราเลยครับก็ใจเราอาจจะมีความคิดปรุงแต่งเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้อยู่หนือชาติก่อนอาจจะเป็นอาสาสมัครไปเก็บศพอยู่เรื่อยๆก็ได้มันยังฝังอยู่ในใจของเราอยู่ ระหว่างละสังโยชน์สิกับละนิวรห้าและละตันหาพระอาหารหันต์จะละอะไรก่อนครับเอเืโดงต้นจาละนิวรก่อนนิวรนี่เป็นตัวที่ขวางกัน้นจิตไม่ให้เข้าสมาธิการมาชันทะเนี่ยอยากจะเสมรูปเสียงกลิ่นนันก็จะทำให้ไม่มีจิตกระจายที่อยากจะมานั่งสมาธิอยากจะดูนังอยากจะฟั ง, งอยากจะกินอยากจะเดิน ม, มันก็จะเป็นอุปสรรคต่อการทาสมาธิ ยังต้องละต้องละนิวรณ์ก่อนเพื่อจะได้นั่ ง, งสมาธิได้ไ mm hmm. ตรยานิวรณ์ก็ต้องถือศีลแปดนั่นกรรมชั น, นทะถึงแปะก็จะห้ามไม่ให้ดูหนังความเพลงไม่ให้ไปเสพกางต่างๆ mm hmm. เพื่อจะเข้าสมาธิได้เ mm hmm. มื่อได้สมาธิได้อุเบกขาแนละ้ว mm hmm. ทีนี้ก็้าไปได่าสังโยต่อสังโยต์กับตัณหานี่ก็เป็นตัวเดียวกันนะในตัณหาเขาเขาแยกเนี้ยเป็นรายเป็นเสกขึ้นไปพูดเดินงวงก็คือตัณหาความอยาก คุณจุยรัตครับญาติเสียชีวิตหลายคนถ้าหากทำบุญให้กับทุกคนจะได้รับส่วนบุญเท่าๆกันไหมครับมันต้องแบ่งกันนะให้ไปร้อยหนึ่งเสิบคนก็เอาไปคนละสิบนะจะได้จะได้คนละร้อยมันเป็นไปไม่ได้นักตักกมครับจะทำอย่างไรถึงจะมีปัญญาทางธรรมเพิ่มมากขึ้นครับก็ฟังเทศฟังธรรมศึกษาธรรมะบ่อยๆ อยู่ใกล้คนเจริญไปอยู่ครูบาอาจารย์ไปอยู่วัดที่มีครูบาอาจารย์ที่มีความรู้ทางปัญญาเนี่ยก็จะได้ยินในฝังท่านพูดแต่ละพูดแต่ละเรื่องที่ท่านพูดก็มักจะเป็นเรื่องของปัญญาทั้งนั้นลูกชายชอบพูดให้แม่ไม่สบายใจแม่ก็พูดแรงลูกจะบาปไหมครับถ้าสร้างความทุกข์ให้ต่อกันและกนันมันก็บาป ต้องเรียนเียกอย่าไปพูดหรือกระทำอะไรที่ทำให้พูดเขาต้องทุกเดือดร้อนจากการการกระทำการพูดของเราการคุมกำเนิดผ่าตัดทาหมันหมากับแมวบาปไหมครับไม่บาปฟังธรรมพระอาจารย์ทำให้ชีวิตดีขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์จริงๆครับสาธุ ขอให้ดีขึ้นไปยนถึงขั้นสูมสุดเลยได้หลุดพ้นได้ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดต่อไปขอหามวลาหาคำถามสักขั้วครับอาจารย์วันนี้ผมตอนต้นรายการบอกว่าใครแอบฟังให้แสดงตัวมาเขาเลยมีคอมเมนต์เยอ ะ, อะมีคนแอบฟังแล้วแสดงตัวขึ้นมาเยอะครับ คุณอ้อนครับพระโสดาบันท่านยังมีความโกรธไม่พอใจอยู่บ้างไหมครับ ม, มีมีคุณพระอาจารย์ น, นั้นที่ยังไม่ที่ทตับความโกรธได้เพราะความโกรธมันเกิดจากความอยากถ้ายังมีความอยากอย่างใดอยู่เวลาไม่ได้ตามใจอยากก็ยังจะเกิดความโกรธขึ้นมาได้ ควรจะทําอย่างไรถ้าคนในครอบครัวไม่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาไม่ชอบแม้แต่จะฟังธรรมบนทุกครั้งที่เราเปิดครับก็ต่างคนต่างอยู่กันไปเขาไม่เขาไม่ชอบก็ปล่อยเขาไม่ชอบไปเมื่อเราไม่สามารถที่จะชวนให้เขามาทำธรรมได้ก็ต้องปล่อยเขาไปแล้วก็ไปทางธรรมของเราไปพระพุทธเจ้าเลยต้องออกจากวังไปเพราะคนในวังไม่มีใครสนใจในการที่จะไปปฏิบัติธรรม คุณมาลีครับสัตว์เดรัจฉานทุกตัวที่เกิดมาใช้ชีวิตทุกวันนี้ไม่มีการทําบาปใช่ไหมครับแม้แต่การทําร้ายกันเองก็ถือว่าไม่เป็นบาปใช่ไหมครับบาปถ้าอยากฆ่ากันอย่ัยงก็ยังบาปอยู่เขาก็เลยจะวนลงไปเรื่อยๆอย่างนี้ใช่ไหมครับอาจารย์จ น, นกว่าจมาเกิดเป็นสัตว์ที่ไม่ต้องฆ่าสัตว์ที่กินผักกินหญ้าเขาก็ยังไม่กินเขาก็ยังไม่ฆ่าการรมที่เขาทําำมามันก็จะลดน้อยถอยลงไป นำพรกรรมที่ส่งให้เขาไปเป็นเดรชาชฉานหมดแล้วเขาก็จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ต่อไปเป็นพระขับรถได้ไหมครับคือในสมัยพุทธกาลนี่ท่านไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ให้ไม่ให้นั่งพานะต่างๆมันไปไหนมาไหนให้เดินไปไหมมันเ ป, นเปน็นไม่เป็นมันไม่ได้เป็นเป็นสามรถไ กิจงสงฆ์กิจของพระพระต้องเป็นพระที่แบบว่าเดินไปเดินมาทําอะไรีไม่ให้ไปขับรถขับลาอะไรครับคิดว่าห้ามนะไม่มีข้อห้ามสมัยก่อนจะมีเกวียนมีอะไรก็ไม่ให้ไปนั่งได้แต่คนอื่นเขาขับนะไม่ใช่เราเป็นคนไปขับเองยกเว้งงนวะ่าถ้าเกิดมีอุบัติเหตุถูกฉุกเฉินแล้วไม่มีคน ขับเกลีนแ้วต้พาคนไม่สบายไปน้องไปรักษาอะไรก็อาจจะทําได้ในในลักษณะนั้นชั่วคราวชั่วคราวชั่วคราวแต่ปกติแล้วไม่ควรที่จะไปขับรถขับลางรือทำอะไรพระอาจารย์ครับมีคนคอมเมนต์บอกว่าขอบพระคุณพระอาจารย์นะครับมีปัญหาที่คาใจายอยู่สิบปีวันนี้ได้รับคําตอบแล้วนะครับแล้วก็มีชาวแคทอลิกคนหนึ่งบอกว่าฟังแล้วน้ําตาไหลไม่รู้ตัวเลยครับ ฟัังกนรครับคุณมารีรัตครับเวลานั่งภาวนาสักระยะแล้วรู้สึกว่าที่ลิ้นปีเต้นตุกๆเหมือนหัวใจเต้นแต่โยมก็รู้ตามที่พระอาจารย์สอนแต่ก็สงสัยว่าคืออะไรครับคือเราเผลอสติแล้วและเราไม่ได้อยู่กับพุโทโธเราไม่ได้อยู่กับลมหายใจคนจะกรรบมาที่พุทโทและลมหายใจแล้วไม่ต้องไปสนใจกับอาการที่ปรากฏให้เรารับรู้ อเรารุงรสนั้นมันก็เกิดความคิดปรุงแต่งขึ้นนะเป็นอะไรขึ้นมามันก็ยิงทําให้การทําใจให้สงบนี้ยิ่งยากขึ้นไปใหญ่เพราะฉะนั้นเวลาทําใจให้สงบนั่งสมาธิให้ยุ่งอยู่กับลมถ้าเราใช้ลมหายใจก็ยุ่งอยู่กับลมถ้าเราใช้พุโทโธไปให้อยู่กับพุโทโธอย่ายไปสนใจกับอาการต่างๆที่ปรากฏขึ้นมาเพราะถ้าเราไปให้กวามสนใจเราจะเสียสมาธิแล้วเราจะเสียสติแล้ว เวลาภาวนาจะเจ็บตาเป็นเหมือนมีอะไรมาถ่วงที่ตาวิธีแก้ควรกำหนดไว้อย่างไรครับไม่ต้องไปสนใจให้อยู่กับพุโทโธไปถ้าเราใช้พุโทโธถ้าเราใช้ลมก็ดูลมไปผู้สูงอายุที่สมองเสื่อมไม่มีสติรู้ตัวเมื่อจิตออกจากสังขารดวงจิตจะเป็นอย่างไรครับก็ไปตามอานาจบุญการที่เขาได้สะสมไว้ ถ้บุญมากกว่าบาปบุญภาพไปสู่สุคติไปเกิดบนสวรรค์ชั้นต่างๆถ้าบามากกว่บุญก็ไปเกิดในอบายไปเป็นสั้นเดชราชาไปเป็นเปรตเป็นต้นการควบคุมดูแลจิตและความคิดก่อนตายควรกําหนดอย่างไรที่จะทุดโอนตรายน้อยที่สุดครับก็เนี่ยใช้กรรมวิการพุโทโธเนี่ยที่มาปฏิบัติกันนี้เพื่อมาควบคุมจิตนะเราต้องทําตั้งแต่ที่ร่างกายยังแข็งแรงยังไม่มีอุปสรรค เพราะเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ปวดมาทํามันจะไม่มีกิจรกระจายที่จะทําได้ยต้องเตรียมตัวไว้ก่อนฝึกตั้งแต่ตอนนี้ตอนที่ร่างกายเราสมบูรณ์แข็งแรงเราสามารถมาเลือกถึงพุโทโธพุโทโธได้อย่างง่ายดายพยายามฝึกไปทั้งวันทั้งคืนหาวันหนึ่งางมาฝึกสติกันที่วันพระในวันหยุดทํางานเอาวันเนี้มาที่เราไม่ต้องใช้ความคิดกับเรื่องงานเรื่องการต่างๆเอามาจเจริญสติเพื่อคอยควบคุมความคิดให้หยุดความคิด ให้ลดความคิดให้น้อยลงที่สุดแล้วก็ถ้ามีเวลาก็นั่งสมาธิต่อแล้วรับรองล้วาต่อไปเราจะมีสติควบคุมใจเราให้นิ่งให้สงบได้เวลาที่เกิดเหตุการณ์อะไรต่ตางๆขึ้นมาเราก็สามารถทำใจให้นิ่งให้เฉยไม่ให้ทุกข์กับเหตุการณ์ต่างๆได้ คุณสมบูรณ์ครับจะทราบได้อย่างไรครับว่าใจเรามีความศรัทธาในพระอรหันต์ไอย่างแท้จริงและเป็นการศรัทธาที่ถูกต้องครับก็เราเห็นพระพุทธธรรมพระสมฆ์ที่ปรากฏขึ้นในใจของเราจากการปฏิบัติจากการได้รัสังโยชน์จากการได้ได้ทําให้ความทุกข์ที่เกิดในใจดับไปโดยที่ไม่ต้องอาศัยสิ่งภายนอกมาทําให้ความทุกข์ในใจเราดับไป ปกติเวลามีความทุกข์ใจนะมักจะไปใช้สิ่งภายนอกมาดับความทุกข์ใจเช่นไม่มีเงินทุกเพราะไม่มีเงินมีทางก็ไปหาเงินมาไปกู้เงินมาพอได้เงินมาความทุกข์ใจก็หายไปชั่วคราวแต่นี้ไม่ใช่เป็นวิธีที่จะเห็นธรรมเห็นธรรมก็คือความทุกข์เวลาไม่มีเงินที่เกิดความทุกข์ใจเพราะความอยากมีเงินมันทำให้มีความทุกข์ใจถ้าเราไม่อยากมีเงินสักอย่างมีเงินไม่มีเงินเราก็จะไม่ทุกข์ใจ งั้นถ้าเราอยากจะไม่ทุกข์ใจก็อย่าไปอยากมีเงินมีก็ได้ไม่มีก็ได้ก็มาอยู่แบบพระไงแบบพระก็มีก็ได้ไม่มีก็ได้เพราะไม่ต้องใช้เงินมันไม่ต้องใช้เงินก็ไม่มีความอยากจะมีเงินเวลาไม่มีเงินก็ไม่ทุกข์ใจไปอย่างใดอันนี้ต้องเห็นทุกความทุกเกิดจากความอยากของใจแล้วการที่ทำให้ความทุกข์หายไปก็คือต้องตัดความอยากละความอยาก ถ้าละความอยากได้ความทุกข์ก็หายไปก็จะไม่สงสัยในพระธรรมคาสอนว่าเป็นของจริงหรือไม่อริยสัจสี่มีจริงหรือไม่แล้วก็ไม่สงสัยว่าคนที่สอนคือใครก็คือพระพุทธเจ้านี่ก็ยังไม่สงสัยว่าพระพุทธเจ้ามีจริงหรือไม่แล้วผู้ที่บรรลุเป็นพระสวสดาบันก็คือผู้ที่เห็นพระพุทธเจ้าเห็นธรรมนี่แหละผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมก็จะเป็นบรรลุบรรลุเป็นพระโสดาบันขึ้นมา ก็จะไม่สงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คือสรุปก็คือต้องเป็นพระโสดาบันทั้งนั้นทั้งยลุนิอย่างแท้จริงไม่สงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะศรัทธาไปตลอดไม่มีวันเสื่อมการทําบุญต่างๆถ้าทํากับพระที่ปฏิบัติจะได้กุศลบุญใช่ไหมครับคือบุญที่เราพูดถึงเนี้มันมีสองอย่างบุญที่เกิดจากการให้ การ บ, บุญที่เกิดจากการรับการทําบุญนี่เรามีทั้งบุญที่เกิดจากการให้เช่นเราใส่บาตรให้พระเนี่ยแล้วก็เป็นบุญอย่างที่เกิดจากการให้แล้วถ้าพระท่านให้เรากลับมาก็เป็นบุญที่เกิดจากการได้รับถ้าบุญพระพุทธเจ้าท่านก็นจะสแสดงธรรมให้เราฟังเราก็จะได้มีธรรมอาจจะบรรลุเป็นพระโสดาบาันขึ้นมาในขณะที่ทำธรรมอะไก็ได้อันนี้ต่างกัน บนที่เราได้จากผู้ให้เราเนี้่มันจากผู้รับของเราเนี่ยต่างกันก็ อ, อยู่ว่าท่านมีอะไรจะให้เราถ้าให้กับพระปฏิบัติท่านก็จะสอนวิธีปฏิบัติให้กับเราถ้าให้กับพระที่ไม่ปฏิบัติท่านก็อาจจะให้อย่างะไรกับเราอาจจะให้วัตถุมงคลแจกวัตถุมงคลก็ได้นเป็นของตอบแทนน้ำใจอันนี้อยู่ที่ว่าผู้ให้มีอะไรจะให้เราผู้ที่รับ ผู้ที่รับทานจากเราจะมีอะไรให้เรากลับมาอยาน่นอันนี้ต่างกันนะบุญที่เกิดจากการให้ของเรานี้เหมือนกันไม่ว่าเราจะให้ใครมีบุญสองอย่างที่เกิดขึ้นในการในขณะที่ทําบุญคุณรัตนันท์ครับเวลานั่งสมาธิกลือน้ํำลายได้ไหมครับไม่ได้หรอถ้าเกลืนมันก็กลับไปเริ่มต้นใหม่ เกินเกินกำไลไม่ได้ขยับไม่ได้ขเขาต่องกันไม่ได้เจ็บก็ขยับไม่ได้ปล่ยทิ้งร่างกายไว้เหมือนเป็นซากศพไปใจต้องการที่จะปล่อยวางร่างกายในขณะที่ทำสมาธิถ้ากลับไปทำอะไรกับร่างกายแสดงวอ า, ากลับมาเริ่มต้นใหม่ไปดูดวงมาแล้วครับหมอดูบอกว่าให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้แล้วชีวิตจะดีขึ้นควรจะทำตามที่หมอดูบอกไหมครับ ก็แล้วแต่คุณเนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปแนะนําได้คุณเชื่อไม่เชื่อถ้าคุณเชื่อผมก็ทําตามที่เขบอกถ้าคุณไม่เชื่อคุณก็ไม่ต้องทําถ้าถามเราว่าจะเราจะทํำไหมถ้าเราเองเราไม่ทําเราเราเชื่อกฎแหงกรรมเชื่อว่าทําดีไหมเราก็จะได้ดีทํำบาปเราก็จะได้ไม่ดีตามมาอยู่ที่การกระทําของเราไม่ได้อยู่ที่การดูดวงของหมอดู ถ้าหมอดูบอกให้เราไปทําความดีก็ทําได้แต่ไม่ได้ทําเพื่อที่เราจะไปแก้ดวงหรืออะไรทําเพื่อเพราความดีมทําแล้วจะทำให้เราได้พลลัพธ์ผลดีเชื่ออย่างนั้นเชื่อทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วคุณนิดครับการได้เข้าผวังในสมาธิโดยที่ไม่หลับถือว่ามีสติไหมครับถ้าไม่หลับก็มีสติถ้ามีความรู้สึกตัวตลอดเวลา รือว่าตอนนี้จิตเราสงบนิ่งไม่คิดปรุงแต่งว่างเฉยได้อันนี้ก็เรียกว่าเป็นสมาธิทำบุญให้คนตายถ้าเขาไปเกิดแล้วเขายังจะได้รับไหมครับไม่ได้แนละ้วเขาต้องเป็นดวงวิญญาณที่หิวโหยที่เรียกว่าพวกเบลทขอโอกาสถามเรื่องการวางใจครับคนร่วม ง, งานมีความ มีความมีอยู่แต่ที่ไม่ดีก็ทำซ้ำๆเลยคิดว่าต้องตีตัวออกห่างแต่ไม่แน่ใจคำถามครับกอการครบคนผู้ชายเราสรอนบอกให้คบคนดีคบคนฉลาดคนที่ไม่ดีคนโว่ก็อย่าไปคบกับเขาเพราะเขาจะพาให้เราโง่พาให้เราเสียคนได้ มีคุณแม่เป็นอัลไซเมอร์ครับถามหาพ่อที่ตายไปแล้วทุกวันเราเลยต้องโกหกแม่ทุกวันครับบาปไหมครับมาถ้าโกหกก็บาป ก, า ก, ก, ก็อย่าโกหกเฉยๆไปพูดความจริงไปว่าท่านตายไปแล้วหรือไม่ต้องพูดอะไรก็แล้วปล่อยใ ห, ให้ท่านพูดไปวันนี้คนเป็นอัลไซเมอร์เขาไม่ต้องการคําตอบอะไรเขาก็เพ้อไปตามภาษาของเขาไม่มีสติควบคุมใจของเราก็ปล่อยท่านพูดไปแล้วก็ฟังไป เวลาเจ็บป่วยไม่สบายเช่นเป็นโรคร้ายแรงทุกคนจะบอกว่าให้นอนให้เพียงพออย่าอดนอนสะสมถ้าเราอดนอนภาวนาจะเป็นการฝืนไหมครับก็แล้วแต่ว่าร่างกายของร่างกายเป็นอย่างไรถ้าร่างกายต้องการพักผ่อนเราก็อาจจะพักการภาวนาไว้เชืเ่อกาวก่อนเพื่อรักษาให้ร่างกายหายเป็นปกติก่อนเมื่อร่างกายหายมีปกติสามารถที่จะภาวนาได้เราก็ค่อยมาภาวนาต่อ เลี้ยงสุนัขไว้ตัวเดียวไม่มีเพื่อนให้เขาอย่างนี้เราบาปไหมครับไม่บาปเมื่อตอนที่แม่เสียชีวิตมีอาการเกิดขึ้นคือเห็นร่างกายของแม่เป็นซากเหมือนซากปลาที่ตายแล้วความรู้สึกมีอาการทิ้งซากนั้นไม่ผูกพันว่าเป็นแม่อาการนี้เริ่มเดินปัญญาหรือยังครับแต่ไม่เห็นแยกเป็นตายรักเห็นแค่อาการทิ้งซากนั้นเฉยๆครับก็ ไม่รู้เหมือนกันเป็นอะไรก็รู้ทามที่รู้ก็แล้วกันมันจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ขอให้เราปล่อยวางให้ได้ก็ใช้ได้ความอยากจะทานเนื้อสัตว์สามารถจะระงับได้อย่างไรบ้างไหมครับเม่อคิดถึงถ้าเราเป็นสัตว์บ้างจะเป็นยังไงถ้าเราเป็นสัตว์แล้วก็บอกขอวันนี้ขอกินคุณนัดคุณจะไหวยังไงคิดถึงนั้นย้อนกลับย้อนสอนอยู่ว่าเวลาทำเขาทาได้ เวลาเขาจะมาทํำเราบ้างเราจะให้เขาทาหรือเปล่าต้องรู้สึกความรู้สึกของของคนที่จะต้องตายเพื่อเป็นเป็นอาหารให้กับเราเนี้ยถ้าเราต้องเป็นอย่างนั้นบ้างเราจะทําได้ไหมเราจะยอมไหมถ้ามีปัญหาเรื่องการนอนไม่หลับเราจะภาวนาสั่งจิตให้หลับหรือทําให้หลับดีโดยไม่พึ่งยาได้ไหมครับได้เพียงให้มีสติก่อนควบคุมใจไม่ให้ไปคิด เรื่องราวต่างๆในที่นอนไม่หลับก็เพราะคิดมากคิดไม่หยุดต้องหยุดพังคิดด้วยการเจริญสติใช้คริการำพุโทโธพุโทโธไปหรือดูลมหายใจไปอย่าปล่อยให้ใจไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เดี๋ยวใจก็จะหลับทําบุญสังฆทานและผ้าไตรของวัดมาเวียนทําบุญซ้ํากับสังฆทานผ้าไตรที่ซื้อเองมาทําบุญอุทิศบุญให้เท่ากันได้ไหมครับได้ได้เหมือนกัน ถ้าจะเริ่มต้นการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าควรเริ่มจากตรงไหนเป็นอันดับแรกครับขอเมตตาพระอาจารย์ครับก็ทำบุญทำทานนรักษาศีลห้าไปก่อนสองข้อแรกมันพยายามทำบุญทุกวันเช่นถ้าอยู่ที่ไหนมีมีวัดมีอะไรที่เราไปเราใส่บาตรได้ก็จะใส่บาตรก็ได้หรือถ้าไม่มีเราอยากจะทำบุญทุกวันแต่ยังไม่มีที่ไปทำเราก็เอาเงินทำบุญของแต่ละวันใส่กระปุกไว้ก่อน พอถึงเวลาที่เรามีเวลาโอกาสที่จะไปทําบุญที่ไหนแล้วก็เงินที่เราใส่กระปุกนี้ไปทําบุญได้เลยพยายามทําให้ทุกวันเพราะมันจะติดเป็นนิสัยแล้วทํำง่ายถ้าจะมานอนนานๆมา ท, ทําทีมันจะทํายากและทำได้น้อยกว่าเพราะเราจะเสียดายเงินเพราะมันเป็นก้อนใหญ่แต่ถ้าเรา ท, ทําทีเราเล็กเทาน้อยในแต่ละวันแต่ถ้าเวลาผ่านไปมันก็จะกลายเป็นก้อนใหญ่ขึ้นมาแล้วพอถึงเวลาเรามีโอกาสที่จะไปทําบุญแล้วเงินที่เราใส่ ใช้ไว้ในกระปุกนี้เอาไปทําบุญแล้วเราก็ะไ ด, เะได้เราก็จะได้บุญมากงั้นพยายามฝึกทําบุญทุกวันนวันละห้าบาทสิบบาทก็ได้ดีกว่าไม่ทําอย่าไปมอว่าเดี๋ยวสิ้นปีปีใหม่แล้วก็ไป ท, ทําทีหนึ่งมันจะทําไม่ได้มากเพราะมันจะเสียดายเงินแต่ถ้าเราทําวันละบาทสองบาทสิบห้าบาทสิบาทสิ้นปีมันก็เป็นพันเป็นหงินห่นขึ้นมาได้งั้นพยายามทํ า, าทบุญให้มันติดเป็นนิสัยแล้วมันจะทําทําได้ง่าย เราพยายามรักษาสินให้เป็นนิสัยสินห้าข้อนี้ไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักษาบ้านโดยผิดผิดในการไม่โกหกและก็ไม่เื่นสุรายามเมาเื้่มต้นของการเป็นชาวพุทธเราให้ปฏิบัติสข้อนี้บวชถือสินแปดกับเป็นกับการเป็นลูกศิษย์ถือสินห้าช่วยงานวัดด้วยความตั้งใจได้บุญต่างกันไหมครับ ถ้าพูดตามตามกาวพลังของท้องศีลมันก็ต่างกันเส้นแปดมันจะได้บุญมากกว่าเส้นหเพราะมันระงับกิเลสได้มากกว่าทําบุญแล้วสามารถอุทิศให้แก่เทวดาที่รักษาตัวของคนที่มีชีวิตอยู่ได้หรือไม่ครับหรืออุทิศให้แก่เจ้ากรรมในเวรของคนที่มีชีวิตได้ไหมครับคือเทวดานี้เขามีบุญมากะเขาไม่ต้องการบุญที่เราอุทิศไป เขาบเหมือนกับการทําบุญอุทิศนี่เหมือนกัเอาเงินที่จะให้ขอทานไปให้เศรษฐีเศรษฐีก็ไม่สนใจเงินที่จะให้ขอทานแต่ขอทานนี่เขาเขาเขาดีใจใช่ไหมเงินเลดกน้อยที่ให้เขานี่ยเขาดีใจการที่เราจะอุทิศบุญก็เพราะว่าก่อนที่ก่อนที่เราอยากจะอุทิศบุญเขาไม่เขาไม่ได้อยู่แล้วเขาตายไปแล้วเราอยากจะให้ความสุขกับเขาอยากจะช่วยเขาแล้วก็ต้องทําบุญจบไปให้เขา เราคนเป็นนี้เราไม่ต้องทาบุญนะเงินที่เราจะทําบุญนี่เอาไปให้เขาเลยถ้าโสดาบันละส ก, กายาทิถิได้แล้วแต่ทําไมการละมานะถึงต้องเป็นพระอาหารหันต์เท่านั้นครับเพราะมันเป็นคนละที่กันเนี่ยละตัวตัวในร่างกายได้แต่ยังไม่ละตัวตนในจิตในความ ร, รู้สึนกนคิดอยู่ในการรู้สึกในึกคิดยังคิดว่าเรายังมีตัวตนอยู่ยังเป็นเราอยู่เราคิดเรารู้อยู่ แต่ตัวนี้ความจริงมันไม่ใช่เราคิดเราดูมันเป็นธรรมชาติที่คิดธรรมชาติที่รู้เห็นตัวเราขึ้นมาแล้วปล่อยตัวเราไปในทุกปัจจุบันขณะที่เกิดขึ้นทันบ้างไม่ทันบ้างไปเรื่อยๆอย่างนี้ถูกไหมครับไม่ใช่ว่าปล่อยอยังไงปล่อยต้องเฉยเวลากระดาเราก็ต้องเฉยเวลาใครละเราเร า, เร า, เรามีปฏิทิยาปั๊บนี่แสดงว่าไม่ปล่อยนะ นั่งสมาธิพร้อมกับฟังธรรมได้ไหมครับก็เวลาถ้าฟังธรรมก็ใช้ทําเป็นอารมณ์แทนไม่ต้องใช้พุโทโธไม่ต้องใช้ลมหายใจใช้เสียงธรรมเป็นอารมณ์ไปถ้าเราทํานั่งสมาธิดูลมไปบริกรรพุโทโธไปแล้วฟังธรรมไปด้วยมันจะชนกันยิน่นนาขณะที่เราฟังธรรมนี่เราไม่ต้องใช้พุโทโธไม่ต้องใช้นมหายใจให้ใช้เสียงธรรมเป็นอารมณ์แทน มีทำข้อใดใช้ปลอบใจได้บ้างไหมครับก็ทุกอย่างไม่เที่ยงทุกอย่างไม่ใช่ของเราให้กินอย่างนี้เวลาสูเสียอะไรไปก็คิดว่ามันไม่ใช่ของเราเราขอเขายืมเรายืมเข้ามาแในเวลาก็มาขอคืนก็ให้เขคืนไปเพราะทุกอย่างไม่แน่นอนมีเกิดมีดับเป็นธรรมดาการตัดกรรมจริงๆแล้วตัดได้ไหมครับ กรรมที่ผ่านมาในอดีตเราทำเราห้ามมันไม่ให้เกิดผลไม่ได้แต่กรรมที่ยังไม่เกิดนี่เราห้ามมันไม่ให้เกิดได้ด้วยการไม่กระทํากรรมเราจะสร้างพลังจิตอย่างไรให้เข้มแข็งมีพลังใจที่ดีทุกวันครับเ จ, จ, จริญสติอยู่ทั้งวันทั้งคืนพุโทโธไปทั้งวันทั้งคืน ครอบครัวของบุตรสาวอยู่ที่ต่างประเทศครับทำอย่างไรจะไม่ทุกข์ในความห่วงใหญ่ครับก็อย่าไปถือว่าเขาเป็นลกของเราเ่ยถขาเป็นสมมติเรามาสมมติมาอยู่ร่วมกันชั่วคราวเดี๋ยวเช่นต่อไปเราก็ต้องแยกทางจากกันอยู่ดีคิดถึงที่คิดถึงความความไม่แน่นอนของเขากับ ข, ของเราว่าเราไม่ได้อยู่ด้วยกันไปตลอดวันหนึ่งเราก็ต้อมีการพัากจากกันเป็นธรรมดา แสิ่งที่จะดูแลเขาได้ก็คือบุญกรรมของเขานั่ยแหละยังคนอืนช่วยอะไรเขาไม่ได้เขาต้องเป็นที่เพื่อของเราเองด้วยการทำบุญ ล, ละหมาดนะคราบเพื่อจะมีแต่ความสุขความเจริญเพื่อนร่วมงานมีทั้งความดีและความไม่ดีคิดได้ว่ามันก็เรื่องของเขาเราก็คุยแต่เรื่องงานแต่คนอื่นๆ ไม่มีใครคุยกับเขาก็สงสารแต่ก็เข็ดกับส่วนไม่ดีต้องฝึกความเมตตาอย่างไรดีครับก็ทำทั้งที่จะเป็นต้องทำเลยถ้าเราต้องมีความเกี่ยวข้องกับเขาต้องพูดคุยกัแล้วก็ทําไปด้วยความเมตตาด้วยความเป็นมิตรกันแต่ถ้าไม่มีความจําเป็นที่เราไปเกี่ยวข้องกับเขาเราก็อยู่ห่างไปเพราะว่าความไม่ดีของเขามันก็อาจจะไม่ผลกระทบต่อจิตใจของเราได้ถ้าใจเรายังไม่เข้มแข็งพอ พระท่านมาบินทบาตระยะทางไกลขากลับไปส่งท่านทุกวันด้วยรถยนต์จริงๆแล้วสามารถจะทําได้ไหมครับเป็นผู้หญิงนะครับอาจารย์คือปกติผู้หญิงกับพระจะไม่คนรจะอยู่ด้วยกันตามรำพั ง, งจะต้องมีผู้ชายคนหนึ่งอยู่ด้วยถ้าท่ามีลูกศิษย์มาด้วยก็โอเคมีพระกับลูกศิษย์แล้วผู้หญิงทําด้วยไปส่งกลับบ้านคลับว่าจะยังไม่เป็นปัญหาแต่ถ้าพระมาองค์เดียวแล้ว ผู้หญิงขับรถไปส่งพระกับวัด น, นี่ก็ไม่ควรเพราะมันอยู่ในที่รับถุงรับตาไปนะฮะขณะที่อยู่ในรถอาจจะเป็นที่เคารหาของพูดได้ว่ามีรับมีอะไรกันหรือเปล่านั่งอ่านหนังสือธรรมะได้บุญไหมครับถ้าถ้าเกิดปัญญาก็ได้บุญถ้าเข้าใจสามารถละกิเลสได้ก็ได้บุญแตถ้ายังระกิเลสไม่ละก็ยังไม่ได้บุญ เห็นคนทำบุญแต่ขอใบอนุโมทนาบุญเพื่อไปลดหย่อนภาษีได้บุญไหมครับก็ได้บุญน้อยลงตามตามตามภาษีที่เราลดหย่อนภาษีเราก็เราขอคืนไงทำบุญร้อยบาทแล้วขอขอคืนสิบบาทให้อีกคนทำแทนเราเปโอกาสให้คนอื่นเขาทำแทนเราเราก็ได้ได้กับทำบุญเก้าสิบบาทไม่ได้ทำบุญร้อยบาทมันาะงั้นทำบุญจริงๆก็อย่าไปขอลดหย่อนเลยก็ เราจะได้เต็มร้อย <Okay. S 2> หรือถ้าเราได้คืนมาสิบแล้วก็ เ, าเอาไปทำไงมันก็ได้เต็มร้อยเหมือนเดิมอีกเอาไปไปขอลดหย่อนให้เสียเวลาบ้างทำบุญเพื่อเสียสละเพื่อละเพื่อให้ไม่ใช่เพื่อเอากลับคืนนะเอากลับคืนม า, <laughs> น ม, ามันก็ไม่ได้ทำบุญนะครับเทวดายังสามารถจเจริญสติภาวนาได้ไหมครับได้ ถ้ามีคนสอนธรรมะให้ทำอย่างเป็นพระพุทธเจ้าไปแสดงธรรมอย่างพวกเทวดามีพวกเทวดาที่สนใจธรรมจะมาฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าทุกคืนทุกคืนพระเจ้าจะแสะดงธรรมให้กับพวกเทวดาตอบคําถามให้กับพวกเทวดาพวกเทวดายังสามารถปฏิบัติธรรมได้อย่างพุทธมันดาก็ปฏิบัติธรรมจนบรรลุปเป็นพระโสดาบันได้แต่ต้องมีคนสอน อยู่กับลูกสาวทํางานบ้านทุกอย่างกางเกงในก็ซักให้เก็บให้ลูกสาวอย่างนี้ลูกสาวบาปไหมครับไม่บาปลูกสาวก็ยังเป็นเด็กอยู่นะทําตัวเป็นเด็กอยู่สบายที่เป็นเด็กทําอะไรเองไม่ได้ก็จะทําทให้ลูกสาวขี้เกียจทําให้ลูกสาวพึ่งตัวเองไม่ได้แต่ไม่บาปต่อไปถ้าเกิดไม่มีเรานแล้วเขาจะลําลบากเพราะเขาไม่รู้จะทำอย่างไรเขาทาเองไม่ได้ เรียนถามการทําจิตก่อนตายครับต้องทําตั้งแต่อย่างเม่ตายทำตอนนี้ฝึกสติฝึกปัญญาไว้สติก็คอยควบคุมความคิดหยุดความคิดแล้วปัญญาก็าสอนให้คิดไปในทางที่เป็นความจริงก็คือการนั้ต้องตายเป็นธรรมดาร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเรายอมรับให้ได้ถ้ายอมรับแพ้ได้เราเวลาตายจิตก็จะสงบตายอย่างสบายไปสู่สุกติ คนที่เป็นอัลไซเมอร์กับคนบ้าการทํางานของขันห้าเหมือนกันไหมครับก็ยังมีสังขารสัญญาอยู่เหมือนกันเพียงแต่ว่าที่มันไม่เหมือนกันคือสติคนที่เป็นอัลไซเมอร์ก็เป็นคนที่ไม่มีสติทางธรรมนะเรพิจารณาไม่ไม่ทราบทางด้านสมองว่ามีส่วนหรือเปล่าแต่คนที่ไม่มีสติมันจะหลงลืมมันได้ง่ายกว่าคนที่มีสติ ส่วนคนที่เป็นนะเมาคนบ้าก็าไม่มีสติเหมือนกันนั่นจะว่าคนบ้ากับคนคนอาสไซมาร ก, ก็เป็นลักษณะคล้ายคึงกันกคือการขาดสติโมโหคนจอดรถปิดท้ายทางๆ ท, ที่มีที่จอดเยอะแยะอยากถอยรถชนเปิดทางพระอาจารย์ช่วยแนะนำอารมณ์นี้หน่อยครับอ๋อถ้าทำไปมันก็จะทำให้เกิดปัญหาตามายาวเหยียดเลย ใช่ไหมพอเราไปชนเข้าเดี่ยร์เขาก็ต้องฟ้องเราเราเราต้องไปซอบมันเขาอีกอะไรเป็นเรื่องมันยาวไปถ้าเราคมใจยอมหยุดเย็นดีกว่ายอมแพ้เอาเราไปควบคุม บ, บังคับเป็นสังคมให้ทําตามกฎตามระเบียบทุกคนไม่ได้หรอกใครก็จะทำไงเราก็อย่าไปเอามาเป็นอารมณ์พยายามหาวิธีเดี่ยวๆอย่าไปประชิญรื่อกันแล้วเริ่อมันจะได้ไม่มีปัญหาจะได้ไ ม, มีตามมา ถ้าพ่อแม่ป่วยแล้วคุณหมอแจ้งให้ถอดสายจะเป็นการอนันตริยกรรมไหมครับแล้วเราจะต้องปฏิบัติอย่างไรครับไม่หรอกเป็นการยุติการการการพยาบา ล, ลนการรักษาพยาบาลถ้าไปฉีดยาพิษอย่างเงี้ย ถ, ถึงจะเป็นการอนันตริยกรรมทำไมทำให้เขาตายแต่การหยุดการรักษานี้ไม่ได้ไปทําให้เขาตายเขาตายของเขาเองเพราะว่ารางกายของเขาไม่สามารถที่จะทํางานต่อไปได้แล้ว ต้องดูแลแม่ที่เวลากโกรธแช่งชักคนอื่นตลอดเวเวลาควรจะวางใจอย่างไรดีครับโดยเฉพาะกับคุณพ่อครับเ็เรื่องของเขาไม่ไม่ใช่เรื่องของเราเราห้ามเขาไม่ได้ฝึกเจริญจิตมานานจนปัจจุบันจิตนิ่งเย็นเสมอแต่มีสติรู้ตัว ต, วตลอดทุกอารมณ์แต่รู้แล้วปล่อยแบบนี้คืออะไรครับก็จิตสบงบไปเจนมเบกอ แต่ก็ต้องดูเวลาที่มีเหตุการณ์มันกระทบเนี่ยจะจะเฉยได้หรือเปล่าถ้าเราอยู่คนเดียวตามลำพังมันอาจจะง่ายที่จะทำให้จิตเฉยนิ่งในเวลาเราไปเผชิญกับเหตุการณ์ต่างๆเรายังจะเฉยได้หรือเปล่าต้องดูตอนนั้นฟังธรรมพระอาจารย์ทุกครั้งที่มีโอกาสธรรมะพระอาจารย์ฟังเข้าใจง่ายฟังแล้วใจเย็นขึ้นเยอะครับได้มีโอกาสไปฟังธรรมและกลราบอาจารย์หน้ากุดสองครั้งแล้วนะครับ มีความทุกข์ใจเรื่องลูกครับควรทํำยังไงดีครับก็ต้องมองเขาว่าเขาเป็นเหมือนดินฟ้าอากาศที่เราไม่สามารถไปควบคุมบังคับไปสั่งให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้เขาจะเป็นอะไรก็ปล่อยเขาเป็นไปตามเรื่องของเขาถ้าเราห้ามก็ไม่ได้สอนก็ไม่ได้ถ้าสอนได้ก็สอนไปห้ามได้ก็ห้ามไปทําหมันแมวเป็นกรรมที่ทําให้ไม่มีลูกหรือจะมีลูกยากไหมครับ ไม่หรอไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวข้องกันคุณมาริรัตบอกว่าขอบพระคุณพระอาจารย์นะครับไม่เคยไปฝึกปฏิบัติกับครูบาอาจารย์พระอาจารย์คือแสงสว่างของโยมนะครับความหลงคือการมองไม่เห็นไตรลักษณ์ใช่ไหมครับถูกต้องมองตรงข้ามกันมองก็เรียนกลับตาละปะัดเห็นสุขเห็นทุกข์เป็นสุขเห็นของไม่เที่ยงว่าเป็นเที่ยง สิ่งของเช่นไม่ใช่ตัวตนไม่ใชของเราว่าเป็นตัวเราของเป็นของเราเช่นนั่งกายเนี่ย่างกายนี้มันไม่เที่ยงแต่เราต้องการเคี่ยวมันเที่ยงน่างกายมันเป็นทุกข์เราต้องจะมางว่ามันเป็นสุขน่างกายไม่ใช่ตัวเราเข้าไปคิดว่าเป็นตัวเราถ้านั่งสมาธิแล้วเกิดความรู้สึกวูบเหมือนตกจากที่สูงตลอดจะแก้ไขยอย่างไรครับถ้าวูบอยังมีสติรู้ตัวอยู่ก็ไม่ต้องแก้ไขอะไรปล่อยมันวูบไป ว่านอาการของจิตที่จะตกเข้าพวางก็้สู่ความสงบเราควรเว้นไม่หมู่บ้านมีพระที่อาบัตมากและพระที่มีศีลเราจะเว<ร>้นใส่บาตรพระที่มีศีลไม่ใส่บาตรพระที่อาบัตอย่างนี้น่าเกลียดไหมครับก็จะทำหน้ามันก็ไม่ควรนะถ้าท่านอยู่ในการสององค์มาด้วยกันแล้วขอใส่องค์นี้องค์ไม่ใส่นมันก็น่าเกลียด ก็อย่าไปใส่ทั้งสององคเลยดีกว่าทำบุญอะไรที่ให้พ่อแม่ที่จากโลกนี้ไปได้รับบุญครับอกว่าพ่อหายสาบสูญ น, นะครับก็ใส่นี่ทำทานให้ไวจากเงิทองเข้าขอ ง, งต่างๆให้วัดก็ได้ให้พระก็ได้ให้โรงพยาบาลก็ได้ให้โรงเรียนก็ได้ให้ใครก็ได้วางจิต มีความปราณีแต่ไม่มีราคาทำอย่างไรครับก็ดีเสียทีไม่มีราคาก็ดีกลัว ม, มันจะไม่มีราคาเป็นเป็นครั้งเป็นคราวต้องคอยดูว่าเวลาการราคาขึ้นมาเราทําให้มันดับไปได้หรือเปล่าข้อที่หนึ่งครับการละสักกายทิฏฐิของพระโสดาบันต่างกับการละการมาชันทะหรือการราคะอย่างไรครับ ก็อนเดียวกันเลยนะออคือภพภ ะ, ะสุนดาวันยังไม่ได้ละการมมาชันท่าและการมาลาคะยังยังไม่อยู่เป็นแต่ละส ก, กายาทาติติคือความเห็นผิดว่าไปเห็นว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราความจริงร่างกายไม่ใช่ตัวเราเป็นธาตุสี่เป็นเดินน้ำลงไปเป็นของไม่เที่ยงคนละหยาดกันยังไม่ได้ละการมมาชันท่าและการมาลาคะอันนี้ต้องเป็นหน้าที่ของพระสะกิริดาคากับพระนานาคามีเป็นขั้นต่อไป หลังจากเป็นพระเสด็จมาแล้วก็ค่อยบรรลัย ก, กามาราคะด้วยการพิจารณาอสุภะต้องเห็นร่างกายว่าเป็นอสุภะร่างกายที่เรารักเราชอบว่าเป็นซากศพว่ามีอาการ32ต้องเป็นทำให้การมาราคะนีึดับไปได้ข้อที่สองครับการล่าสักกายทิฐิมีวิธีการฝึกหัดไหมครับมีก็ไป เรื่องต้องกฝึกสติให้มีสมาธิให้จิตวางเฉยให้ได้ก่อนพอจิตวางเฉยได้แล้วลขั้นที่สองก็เอาเอาร่างกายนี้ไปอยู่ในที่ที่มีภัยต่างๆแล้วดูซิว่าจิตเราจะวางเฉยได้หรือเปล่าถ้าวางเฉยได้ก็ละได้ก็แสดงว่าไม่ยึดเป็นติดกับร่างกายหรือว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราแต่ถ้ายังมีอารมณ์มีความทุกข์อยู่มีความวิตกกังวลหวาดกลัวอยู่ก็แสดงว่ายัางละไม่ได้ รักแมวครับจะทําใจอย่างไรตอนที่เขาหายไปตอนนี้หายไปไหนไม่รู้ครับก็ทําใจเฉยๆไปเลยห้ามก็ไม่ได้เขาจะไปเขาก็ไปเขาจะอยู่เขาก็อยู่ตอนกรวดน้ําเราอุทิศผลบุญให้กับคนที่มีชีวิตอยู่ได้ไหมครับมันเขามันไม่เขาไม่ได้รับหรอกถ้าอจากจะให้เขาได้บุญได้ความสุขเราต้องเอาเงินที่เราซื้อของ ไปทำบุญนี่ออกไปให้เขาเลยไม่นงไปทำบุญให้เสียเวลาคนที่เป็นอัลไซเมอร์ก็มีผัสสะแต่บอกไม่ได้ว่าที่เห็นนั้นคืออะไรอย่างนี้เขามีเวทนาไหมครับมีเขาเวทนาสัญญาสังการวิญญาณมีแต่เขาไม่มีสติคอยควบคุมคอยจดจำเขาเลยหลงเดิม เพิ่งสูญเสียคุณพ่อไปครับนึกถึงท่านบางทีก็ร้องไห้เมตตาขอคําสั่งสอนจากพระอาจารย์ครับก็ต้องเถือว่าการพลาดพลาจากกันเป็นเรื่องธรรมดาทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้จะต้องมีการพลาดพลาดจากกันถ้าเราไปไม่อยากให้มีการพลาดพลาจากกันเราก็จะเศร้าโศกเสียใจไปเรื่อยๆถ้าเราอยอมรับความจริงว่าเป็นเรื่องธรรมดาเราก็จะไม่เศร้าโศกเสียใจ เป็นการเวลาที่เรารับกับการตกของบ้านที่ได้เราก็ไม่เศร้าโศกเสียใจเพราะเรารู้ว่าเป็นเรื่องปกติของโดวเทศจะต้องมีตกอยู่ทุกวันคนเราเกิดมาแล้วก็ต้องมีการตายอยู่ทุกคนต้องมีการจากกันเป็นธรรมดาน้องสอนใจให้ยอมรับความจริงนี้ได้แล้วใจเราก็จะไม่เศร้าถ้าจําเป็นจะต้องอยู่กับคนผ่านจะต้องวางตัววางใจอย่างไรครับ ก็เฉยๆไปก็ปล่อยเขาเขาปล่อยเขาผ่านไปเราไปเปลี่ยนก็ไม่ได้แค่เขาไม่ได้เขาเฉยๆไปเมื่อก่อนเราทุ่มเทช่วยเหลือ ง, งานวัดแต่ตอนหลังมีกิจแน่นแล้วพยายามไม่สร้างบาปเพิ่มแต่ทำบุญน้อยลงช่วยงานวัดบางอย่างน้อยลงโดยเลือกมาภาวนามากขึ้นเพราะรู้ตัวว่าใจร้อนอยากแก้ตรงนี้โอเคไหมครับถ้าภาวนาได้มันก็จะมันก็จะทาให้ จิตใจทํากรรมได้น้อยลงไปเพราะเวลาจิตใจมีความสงบก็จะไม่มีความอยากก็จะน้อยลงไปงั้นการจะไปทําบาปทํากรรมมันก็จะน้อยอยถอยลงไปเรื่องยังไม่เกิดแต่ชอบคิดไปก่อนครับทําอย่างไรดีครับหยุดคิดเสร็จใช้พุโทโธพุโทโธแล้ใช้ปัญญาส า, ารว่าอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดอะไรไม่เกิดมันก็ไม่เกิดคิดไปก็เสียเวลาเปล่าๆความคิดของเราไม่สามารถไปกําหนดความจริงได้ คนที่นับถือศาสนาพุทธในชาตินี้แสดงว่าในพบก่อนอดีตเขาก็นับถือศาสนาพุทธด้วยใช่ไหมครับก็ไม่แน่นะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเป็นพุทธมาก่อนหรือเปล่าทำงานอยู่ในโรงงานผลิตสุราครับบาปไหมครับคือมันไม่บาปมันเป็นอาชีพที่ไม่กวรที่จะทำพเพราะไปส่งเสริมให้ ม, มีผลิตสุดาโซ โซราไปขายทําให้คนซื้อโซราไปดื่มแล้วเกิดอาการมืนเมาแล้วอาจจะไปทำร้ายทําให้เกิดความเสียหายหแก่ผู้อื่นได้อาชีพที่ไม่คนอยาก็ทําแต่ไม่บาปพระบินทบาทตอนเช้าสามองค์องค์แรกใส่อาหารให้เสร็จรีบเอาของไปเก็บใส่ตะกร้าไม่ยืนให้พระไม่ยืนให้พรอีกสององค์ยืนให้พรองค์แรกถูกต้องไหมครับ คือการให้พรนี้จะให้ก็ได้ไม่ให้ก็ได้นะแล้วแต่เวลาที่นอนจะฝันว่ามีผีมาตามทําอย่างไรดีครับเวลานอนเราก็ห้ามไม่ได้ว่าต้องยอมรับมันไปมันจะฝันก็ปล่อยมันฝันไปรู้ว่าเป็นความฝันก็รับมันเราไม่ต้องไปตื่นเต้นตกใจไปอย่าไปอยากให้มันไม่ฝันเพราะไปอยากแล้วมันจะทําให้ใจเราทุกข์ ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็เฉยๆไปทุกคนมีเทวดาประจำตัวใช่ไหมครับไม่ใช่หรอบคนที่เป็นอมพาธเขามีการปรุงแต่งมีความต้องการมีสุขมีทุกข์ไหมครับมีเหมือนเดิมเหมือนตอนที่ยังไม่เป็นอมพาธ คุณแม่ยังไม่เชื่อใจเพราะอดีตเคยทั้งดีและเกเรสลับสลับกันท่านจึงต้องการให้พัฒนาขึ้นอีกโดยทาให้ท่านพอใจตามคำสั่งเราควรทำตามโดยดีจัดเป็นความสำคัญลำดับแรกเลยใช่ไหมครับถ้อเราทำความดีได้มันก็ดีดีทั้งกับตัวเราเองดีทั้งกับผู้ถ้าคุณแม่อยากให้เราทำความดีก็ทำไปถ้าเราทาได้ก็ทาไปจะทาให้คุณแม่มีความสุขแล้วเราก็ไปนคนดี เราก็จะได้รับผลตอบแทนที่ดีจากการทําความดีของเราอยู่ใกล้กับคนที่มีทิฐิมานะถือตัวถือตนเราควรทําอย่างไรครับเฉยๆเรื่องของเขาเราห้ามเขาไม่ได้เปลี่ยนเขาไม่ได้แม่ตาย25ปีทําบุญให้แม่จะได้ไหมถ้าไม่ได้แล้วใครจะได้ไปครับก็กลับมาหาเรา เวลานอนได้ยินเสียงสดมนบางวันได้ยินดนตรีไทยอย่างนี้จิตปกติไหมครับก็เป็นไปได้จิตแต่ของแต่ละคนมันมีหลากหลายด้วยกันหยอดกระปุกทุกวันเพื่อเอาไปทำบุญตอนต้นเดือนจะได้บุญตอนหยอดกระปุกหรือวันที่เอาเงินออกมาไปทำบุญครับต้องตอนที่เอาไปทำบุญแล้วให้มันจัดเราไปแล้วถ้ายังอยู่ใกล้เราอยู่ ตอนนี้คืนดีราจะเปลี่ยนใจแล้วก็เอาคืนมาก็ได้ยังไม่ถือว่าบุญยังไม่สำเร็จสำเร็จครึ่งทางแลเตรียนตัวไปแนละ้วแต่ยังไม่ได้เอาไปทำทานกับจาคะต่างกันอย่างไรไหมครับเหมือนกันนะทานคือการให้จาคะคือการเสียสละการใช้เครื่องดักยุงถือว่าทำบาปไหมครับ ทำให้อยู่ตายก็บาปกรณีผู้ป่วยสมองตายญาติเป็นคนอนุญาตให้บริจาคอวัยวะผู้ป่วยหรือญาติใครได้บุญครับไม่ได้ทั้งสองคนเนะี่ยเพราะว่าถ้าจ ะ, จะได้บุญต้องบริจาคต้องให้ตอนที่ยังไม่ตายพอตายแล้วให้ไปเนี่ ผู้พูดที่ตายไปผู้ที่ให้จะไม่รู้ว่าของที่ตอนให้นั้นมีใครเอาไปหรือไม่อย่างไรการจะได้บุญนี้ต้องเกิดจากการที่คนที่ทําบุญนี้ยังยังมีความรู้อยู่หรือว่าได้ทําบุญได้เสียสละต้อมันจะเกิดความสุขใจขึ้นมาจะระงับความโกรธได้อย่างไรครับเมื่อมีคนมาพูดให้เราโกรธครับก็ใช้สติพูดโธพูดโธไป อย่าไปคิดถึงคำพูดของเขาพอเราคิดคำพูดของเขาไปแล้วความโกรธก็หายไปเงินที่เราทำบุญโดยใส่กระปุกทุกวันต่อมานำเงินในกระปุกไปแก้บนที่วัดได้ไหมครับไม่ทราบว่าแก้บนนี้เป็นอย่างไรถ้าไปทำบุญทำทานเป็นการแก้บนด้วยการทำบุญทาทานก็ได้บุญอยู่ดี ไม่ได้ใส่บาทครับทําบุญไม่ได้ใส่บาททําบุญแต่ภาวนาพุทโธทุกวันได้บุญไหมครับก็ได้บุญเปนอย่างหนึงแต่การภาวนาบุญไม่ใช่เกิดจากภาวนานั้ยมันเกิดขึ้นยากไม่ใช่ว่าเราภาวนาแล้วบุญจะเกิดขึ้นทันทีบุญจะเกิดขึ้นก็ตามเมื่อเราได้ได้ได้ได้สำเร็จคือได้ผลจากการภาวนาคือจิตรวมเป็นสมาธิอันนั้นถึงจะเกิดบุญขึ้นมาถ้ายังจิตยังไม่รวมยังไม่เป็นสมาธินี่ยังไม่ได้บุญ เป็นการในการสร้างอยู่ยังไม่ยังสร้างไม่เสร็จถ้าเป็นการสร้างบ้านก็ยังสร้างไม่เสร็จบ้านยังไม่เสร็จแต่ถ้าเอาไปทําบุญทําทานนี่ถืยว่าทําพอทําบุญไปปัป๊บนี่ก็ถือว่าเราสร้างบ้านเสร็จแล้วได้บุญได้ได้บุญทนันทีถึงแม้จะเป็นบ้านที่ได้กอบบ้านที่เราได้จากการภาวนาแต่มันก็เป็นบ้านที่เราสามารถอาศัยอยู่ได้ เน้นการให้ทานรักษาศีลและเจริญภาวนาพุโทโธตอนนี้เริ่มติดเป็นนิสัยการภาวนาพุโทโธเป็นอัตโนมัตินับได้ว่าเป็นการนับได้ว่าเริ่มปฏิบัติถูกทางและมีความก้าวหน้าได้บ้างหรือยังครับถ้ามีสติอยู่กับพุโทโธก็ถือว่าถูกทางาอยู่ที่ว่าจะทาได้มากได้อ่อนทลัยท่านไหมเราสามารถนาไปสู่การความสงบของจิตได้หรือไม่ต่อไป โอนเงินทำบุญหรือตักบาทแล้วน้อมใจว่าขอถวายเป็นสังฆทานทานนั้นจะเป็นสังฆทานไหมครับเราต้องบ่งบอกผู้รับก่อนว่าอันนี้จะเป็นถวายให้กับสงฆ์ถ้าอยากจะถวายสังฆทานก็ต้องถวายให้กับวัดเนีเป็นส่วนร่วมถึงจะเป็นสังฆทานถ้าองค์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งเขาเรียกบุคคลิกทานจะให้กับบุคคลนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ว่าถ้าเราอยากจะทำบุญสังฆทานนี้ ถ้าจะต้องขอบัญชีของหมายเลขของวัดไปถ้าหมายเลขของของพระไปก็เป็นการทําบุญส่วนตัวการภาวนาพุโทโธหรือนั่งสมาธิในช่วงที่เราจิตตกเพราะเป็นซึมเศร้าเราต้องภาวนายังไงให้ยกจิตกลับมาได้ความสว่างได้ครับตอนนี้จิตดิ่งไปในความทุกข์ครับก็ต้องทําจิตให้สงบให้ได้ถ้าจิตสงบแล้วอาการซึมเศร้าก็จะหายไป ความสดใสาบางบาก็จะขับขึ้นมาการตั้งจิตกระทำการงานทำอย่างไรจึงจะไม่เป็นสักกายทิฐิครับออต้องมีปัญญาสอนใจให้อยู่เรื่อยว่าน้งกายไม่ใช่ตัวเราของเราเวทนาเขาไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นเพราะเป็นปรากฏ ก, การทางธรรมชาติที่เราไม่สามารถห้ามหรือรบังคับให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้ ต้องใช้ปัญญาคุณแฮมครับช่วยพระตีระคังเช้าเย็นตื่นคนแรกกินข้าวเกือบสุดท้ายกวาดหลายพื้นที่ตามตารางกิ จ, จวรรัตรให้ทานตลอดสามารถใช้เงินชำระหนี้สงได้ไหมครับเพราะตามแก้ไขด้วยการช่วยงานออกแรงกายทุกอย่างไม่ไหวในแต่ละวันครับก็อยูกับที่วัดเขาต้องการให้เราทำอย่างไรท่านก็บอกอ่าทํทานทำมทานแทน กับการทํากิจวัตรก็ทําได้แต่ถ้าทาวัดเขาต้องการให้เรากิจวัตรเพราะน่าจากการทํากิจวัตรที่จะเป็นการทําทานแนละ้วมันยังเป็นการเสริมบารมีคือวิริยะบารมีความหมั่นเพนความขยันหมั่นเพนเพื่อป้องกันแก้ไขความเกลียดคา้านนั่นก็อยู่ที่วัดบางวันนี้เขาไม่เอาเลยเขาต้องการให้เราทํางานมากกว่าเพื่อเราจะได้ไม่เกลียดคา้ามันจะได้มีวิญญาณบารมี เพ่อทีเราจะใช้ใช้วิริยะมารมีในการไปเดินจกกมนั่งสมาธิต่อได้ถ้าเราใช้เงินทำนู่นทานั่นเราไม่ต้องทํางานออกแรงมันก็จะทําให้เราขี้เกียจขึ้นมาก็อาจจะขี้เกียจไปเดินจกกมือขี้เกียจไปนั่งสมาธิก็ได้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับวัดที่เราไปอยู่ว่าเขาต้องการให้เราทำอะไรเราก็ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของวัด จะทำยังไงลูกมาขอเข้ามากรรมเขาเคยแช่งด่าแม่ตอนอยู่ปสี่ปห้าตอนนี้ชีวิตของเขาไม่เคยสมหวังเลยครับก็ให้อ in ภัยเข้าไปแต่การให้อภัยนี Number ่ไม่ได้หมายความว่าชีว mm. ิตเขาก็จะสมหวังนะเพียงแต่ว่าเราไม่ทิ้งอทษกอดเคียงไม่มีปัญหาต่อกันท่นเองดูแลพ่อแม่แต่เสียงดังใส่พ่อแม่จะสร้างกรรมหนักไหมครับก็เป็นการพูดไม่ดี ก็อย่าพูดพูดในวาจาที่สุภาพเรียบร้อยจะดีกว่าพูดด้วยความอ่อนน้อมพูดด้วยความเคารพเพราะก็เป็นผู้ใหญ่เป็นผู้มีพระคุณกับเราอาชีพขายหวยบาปไหมครับไม่บาปพระสงฆ์ที่เทศนาธรรมแล้วบอกว่าเทวดามาฟังธรรมเป็นเรื่องที่เป็นไปได้หรือไม่อย่างไรครับเขาถามแล้วดูนะ <laughs> คุณพ่อและสามีเสียไปแล้วอยู่คนเดียวถ้าตายไปจะไปตามหาคุณพ่อกับสามีจะได้เจอกันไหมครับคิดถึงมากครับยากถ้าเราไม่มีอภินญะไม่มีไม่มีมมพลังจิตนะครับก็ยากที่เราจะไปติดตามหาใครได้แต่ถ้าเรามีพลังจิตก็ยังอาจจะสามารถไปติดตามหากันได้อยู่เหมือนองคุต จ, จ้าตามหามารดาของท่านพุทธมารดา เงินชําระนี่สงหมายถึงเงินอะไรแล้ ว, ลวเราเป็นหนี้อะไรกับสงครับเราไม่ได้เป็นหนี้สงนะวันนี้สงวันนี้สงเป็นหนี้หนี้กับการประปลานี่กับการไฟฟ้าครับเนี่ยเขาทุกเดือนก็สง่งใบใบเก็บหนี้มาส่งบินมาแล้วเราก็ช่วยใจ่ายให้แทนแทนที่จะให้พระจ่ายเองให้วัดจ่ายแล้วก็เป็นผู้รับผิดชอบจ่ายเองเราไปชําระหนี้ให้กับสงหนี้ของสงไม่ใช่หนี้ของเรา เลี้ยงไก่ในเล้าแล้วกินไข่บาปไหมครับไม่บาปถ้าเป็นไข่ที่แบบไม่มีตัวนะถ้าไข่แบบมีตัวมันก็บาปต้องดูแลสามีที่เป็นสโตรกถือว่าเป็นการทำบุญหรือใช้กรรมเพราะไม่สะดวกไปทำกิจกรรมอื่นครับก็เป็นการทำบุญนะด้ช่วยเหลือผู้อื่น เวลานั่งสมาธิเป็นตะคิวไม่สามารถนั่งได้นานจะแก้ไขอย่างไรครับก็ต้องไปรักษาก่อนรักษาโรคตะคิวก่อนว่ า, าให้มันหายก่อนไม่ชนะก็ไม่สามารถนั่งได้หรือว่าต้องเปลี่ยนท่านั่งใหม่นั่งในท่าที่ไม่เป็นตะคิวแทนก็ได้เช่นจะเรานั่งพระเพรานั่งขรัตมะแั้วมันเป็นตะคิวแล้วก็เปลี่ยนมานั่งกอีแทนก็ได้หา คนที่เคยจเจริญสติตอนที่เกิดเป็นคนสามารถนำความรู้นี้ไปปฏิบัติต่อเองหากมีโอกาสเกิดเป็นเทวดาหรือไม่ครับได้เมื่อสติเนี่ยมันจะเิดไปกับใจผมทำอาชีพการแสดงอย่างนี้บาปไหมครับไม่บาปับ หากมีอาการเจ็บที่หัวใจต้องปริการพุทธโธอย่างไรให้อาการเจ็บดับลงครับมันถ้าเป็นเรื่องของร่างกายนี้การใช้สติใช้พุทธโธนี่ก็จะแก้ไม่ได้พระพุทธเจ้ายังต้องกินยาเลยเวลาไม่สบายเรื่องของกายนี่มันก็ต้องใช้ยารักษาแต่ถ้าถ้าใจไม่สบายเนี่ยใช้สติได้ทำให้ใจหายจากการไม่สบายใจได้คนละเรื่องกันคนละอย่างกัน ทำบุญอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรของเรามีอยู่จริงไหมครับเราก็ต้องรู้ก่อนว่าใครเป็นเจ้ากรรมนายเวรเราส่วนใหญ่ก็คนใกล้ตัวเรานะครับเป็นเจ้ากรรมนายเวรเราคนที่มีปัญหากับเราเนี่ยคือเจ้ากรรมนายเวรของเราเร า, าจะทําบุญกับเขาแล้วก็ซื้อของมาให้เขาทำคกับดีให้กับเขาเดี๋ยวเขาอาจจะใจอ่อนแล้วก็หายโกรธแล้วก็ให้อภัยเรา ถ้าฝึกโดยการทํางานดูใจไปด้วยโดยไม่ทําในรูปแบบเลยได้ไหมครับทําหน้แต่ไม่ได้ผลต้องทําตามรูปแบบจะใจดูใจใหนั่นดูด้วยสติก็คือต้องทําใจให้นิ่งให้สงบก่อนถึงจะดูใจได้ถ้าใจยังไม่นิ่งให้สงบนี่จะดูใจไม่ได้เพราะไม่มีเครื่องมือที่จะดู เราน้อมใจที่จะทําบุญในทุกๆวันเมื่อครบเดือนก็จะโอนเงินให้ที่วัดแบบนี้เหมือนได้ทําบุญทุกวันไหมครับเหมือนกันเช่นน้าใจวันนี้ทําบุญสิบาทเนกะ็บไว้พรุ่งนี้ทําบุญอีกสิบบาทพอสิ้นเดือนเราก็โอนไปสาม้อยบาทหรือทางที่ดีทาก่อนดีกว่าโอนไปก่อนดีกว่าแล้ว่าอันนี้ได้ทําไว้สำหรับเดือนนี้แล้ว ว่าเดี๋ยวถ้าิถึงสิ้นเดือนเงินอาจจะขาดเนืออาจจะไม่พอเราจะไม่ได้โอนก็ได้แต่ตอนนี้เรามีแล้วโอนไปก่อนเลยดี่บอกว่าขอทําบุญสาหรับเดือนเดือนหน้านะทำเผื่อไว้ก่อนเลยเข้าสมาธิเวลาจิตรวมรู้ตัวแต่มีอาการวูบไปเมื่อไหร่ไม่รู้ตัวรู้สึกอีกทีจิตสว่างจ้าสงบไม่สุขไม่ทุกข์ อาการแบบนี้ปฏิบัติถูกไหมหรือต้องปรับอย่างไรครับถึงจะก้าหน้าต้องมีความรู้สึกัวตลอดเวลาช่วงที่ไม่มีความรู้สึกตัวเคยสติหายไปที่บ้านมีกระรอกมากินผลไม้หลายตัวเลยจับไปปล่อยบาปไหมครับไม่บาปนะโยมเคยเจอพระสามรูปท่านยืนไม่ไกลกันเท่าไหร่พอมีคนใส่บาต ท, ท่านก็จะให้ แข่งกันใ ห, นให้ให้พรแข่งกันสั้นยาวดังแข่งกันโยมเลยเดินผ่านไปโยมสมควรทาแบบนี้ไหมครับทําได้เวลาไปทําบุญใส่บาตรเรียกพ่อแม่ที่เสียชีวิตไปทําบุญด้วยทําถูกไหมครับไม่ถูกนะพ่อแม่เสียชีวิตเราไปเรียกท่านมาไม่ได้ เ, ร, เราไม่รู้าท่านอยู่ที่ไหนนะแต่เราทําบุญเพื่ออุทิศส่งบุญไปให้กับท่านได้ เผื่อถ้าท่านมารับอยู่ท่านก็จะได้รับบุญคนเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงจะทําให้เราละเรื่องกายไม่ใช่ของเราเพราะกายเป็นแค่ธาตุทั้งสี่ได้ดีกว่าคนไม่ป่วยเพราะเป็นเหมือนการทำข้อสอบจริงใช่ไหมครับมันก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะจะรู้ว่าเราทําได้หรือไม่ได้เพราะถ้าร่างกายยังไม่เป็นอะไรเราก็จะไม่รู้ว่าเราเราปล่อยได้หรือไม่ได้ นี่ก็อย่างที่พูดนะมันในการข้อทับข้อสอบจริงต้องเจอเวลาที่ร่างกายทุกข์ถ้าเราปล่อยมันได้หรือเปล่าถ้าปล่อยได้ใจเราก็จะไม่ทุกข์กับร่างกายถ้ายังใจเรายังทุกข์อยู่ก็สแสดงว่าเรายังปล่อยไม่ได้มีความรู้สึกว่าท้าง่วงแล้วนอนหลับช่วงบ่ายมักจะมีคนในระแวกบ้านจากระแวกบ้านจากโลกนี้ไปรู้สึกไปเองหรือไม่ครับ คงเนอย่างน่้นนะคนคนตายก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการนอนของเราเหรอกใส่บาตหรือทำทานแต่ไม่ได้กรวดน้ําอุทิศบุญอยู่ที่ใดครับบุญก็อยู่ที่ตัวเราขายหวยไม่บาปแล้วเปิดเว็บพนันบาปไหมครับการทำเป็นการพนันไม่บาปการหวยนี่ถือว่าเป็นการซื้อสิทธิ์างเป็นการ ลงทนมัซื้อหุ้นอย่างนี้ที่ผ่านมาก่อนจะทําบุญทําทานจะขวนขวายตั้งใจมากถ้าไม่ได้ทําบางครั้งจะเสียใจมากผ่านมาตอนนี้ได้ทําก็ยินดีไม่ได้ทําก็ไม่เสียใจมากเหมือนแต่ก่อนกุศลที่ได้รับต่างกันไหมครับก็เวลาทําก็ได้กุศลเวลาไม่ได้ทําก็ไม่ได้กุศลนั่ ผลของการตักบาตรกับถวายสังฆทานต่างกันไหมครับคือถ้าเป็นการถวายสังฆทานให้กับวัด น, นี้ก็ต่างกันเพราะการใส่บาตรนี้จะให้กับเป็นเฉพาะบุคคลถ้าสังฆทานนี้หมายถึงถวายให้กับทั้งวัดให้กับพระทุกรูปที่อยู่ในวัด น, นอนไม่หลับความคิดกังวลเกิดขึ้นจะดับมันอย่างไรครับ ให้พุทโธพุทโธไปทำพุทโธพุทโธไปเรื่ อ, เ, อเดี๋ยวก็หลับเองตั้งสัจจะรักษาศีลห้าตอนนอนหลับจนตื่นแบบนี้ถือว่าในช่วงหลับมีศีลอันอนีส้ส่งไหมครับไม่มีหรอกศีลต้องรักษาในขณะที่เราตื่นในขณะที่เราจะอยากจะไปทําบาปแล้วเราห้ามใจแม่ไปทําบาปได้ถึงยังมีอันนีส้ส่งแต่เวลานอนหลับเนั้นจะมีจะมีศีลไม่มีศีล ม, มันก็ไม่ต่างกัน เพราะเราไม่คิดจะไปทำบาทเวลาหรือทำบาทไม่ได้เวลาที่เรานอ น, น, อนถือสิ่8แปดใช้น้ำหอมกลิ่นฟอร์มาลีนหรือน้ำหอมหรือน้ายาฉีดศพได้ไหมครับใช้ไปทำไมไม่ทราบ <c oughs> คืออย่าไปใช้กลิ่นอะไรเลยดีที่สุดเพราะมันมันก็ยังเป็นการมาฉันท่ายอยู่ นั่งขัดสมาธิตอนสวดมนต์ได้ไหมเพราะหมอห้ามนั่งพระเพียรเป็นโรคกระดูกครับก็แล้วแต่ที่เราไปสวดว่าเราไปสวดที่ไหนถ้าเราสวดที่บ้านไหนเราก็อยู่ในทาน่าไหนก็สวดได้แต่ถ้าเราไปอยู่ที่ว่าที่เขามีท่านั่งจำเพาะเราก็ลองทำตามครับแล้วไม่ฉะนั้นก็ขออนุญาตทาว่าเขาจะมักอนุญาตถ้านั่งพระเพียรไม่ได้ก็ให้ไปนั่งเก้าอี้ก็ได้แนั่งขัดสมาธิก็ได้แต่ต้องขออนุญาตเจ้าอาวสเขาก่กอนเพื่อจะได้ไม่ไม่เสียมารายาท มีคนฝากซองและเราลืมให้ญาติคนตายจนเลยเวลามาแล้วเรานําเงินนั้นไปทําบุญและอุทิศให้ผู้ตายโดยตรงได้ไหมครับเหมือนจะไปเอาซองงานศพอะครับพระอาจารย์แล้วก็ลืมเอาไปถึงลืมให้ญาติเขาครับอืมเอาเงิ น, น, นไปทำบุญถ้าเราให้ไปให้ญาติก็ต้องเอาไปให้ญาติค ร, ครับคําถามสุดท้ายครับพระอาจารย์ครับ ทำงานร่วมกับคนที่นิสัยชอบรักเล็กขโมยน้อยอยู่ตลอดควรวางจิตยอย่างไรครับก็เรื่องของเขาเราห้ามกับไม่ได้เขาอาอกาศกาอาจานครับวันนี้มีเพื่อนๆฟังธรรมอยู่ในเฟซ622คนอยู่ในยู672ในค l ับ h ฮ u s e ก้า5คนในติ๊ก o k อ622คนครับ รวมหนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบเอ็ดคนนะครับอ่านคำถามแรกเวลายี่สิบนาฬิกายี่สิบสามนาทีพระอาจารย์ตอบไปหนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดคำถามครับก็ถือว่าเป็นปกตินั้งคนชมค น, คนฟังตั้งคำถาม <c oughs> ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่มีความสนใจเพราะความสนใจในธรรมจะนำไปสู่การสัมผัสลแถแห่งธรรมที่เหนือกับรลดท้งปวมเกวิมุติหลุดพ้นจากความทุกข์ ตามลำดับต่อไปการสนทนาธรรมตลอดคืนนี้ก็ ค, คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิปจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในทางยิ่งขึ้นไปเธอสาธุ